อาจารย์ครับการน้ำส ก, การครับผมจารย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสี่สิบห้านะครับพระอาจารย์ครับก่อนเข้ารายการขอโอกาสถามพระอาจารย์ว่าชับใส่บาทเยอะกันไหมครับพระอาจารย์ครับเชา้าสี่รอยแปดสิบเจ็ดคนนะอวันนี้คนเต็มไหมครับพระอาจารย์วันนี้มั น, นมพาาักใช่ไหมครับไม่มันหวยหอออ <laughs> อ๋อถ้าหวยออกก็คนเยอะเหมือนกันนะครับาาครับผมแล้วคนใส่ออนไลน์อีกเยอะไหมครับอาจารย์ครับสองร้อยกว่าได้ด้วยก็เกือบเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าคนอ่าเกือบเจ็ดร้อยคนเลคนครับพระอาจารย์ครับแล้วคนไปฟังธรรมล่ครับพระอาจารย์ครับร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจร้อยเจ็ดสิกว่าร้อย็ดสบครับผมอันนี้รวมกันก็เจ็ดร้อยกว่า เจ็ดร้อยกว่า ค, ครับอถุกครับตอนนี้ทั้งนี้ก็ประมาณเจ็ด้อยกว่าเหมือนกันครับอาจารย์ครับแค่อยทยอยเข้ามาวันนี้มีแจกหนังสืออาจารย์ด้วยครับเล่มใหม่เลยเล่มใหม่ครับอาจารย์ครับวิสัชนาธรรมเล่มแปดครับอาจารย์ครับเล่มแปดอเล่มแปดนะนะครับยิมงจุลธรรมไ ด, ได้มาจากวิสัช น, นาธรรมในรายการเป็หมอเนี่ยอะไรใช่ครับอาจารย์ครับ เล่มที่เป็นเลขคู่นี่จะเป็นลักษณะที่คนอื่นถามมาครับพระอาจารย์อ่ที่เป็นเลขคี่นี่จะเป็นที่ผมตั้งคำถามตอนหัวข้อของรายการครับผมครับต่างถิมจุลธรรมแยกแยะไว้อย่างดีเยี่ยมเลยครับพระอาจารย์ครับอืมก็ดีวันนี้มีหัวข้อน่าสนใจนะ <laughs> เป็นหัวข้อที่พระอาจารย์ชอบพูด อยู่เสมอครับอาจารย์เลยขอปัญญาจากอาจารย์นะครับเรื่องยอมหยุดเย็นกับอาจารย์ครบับกับกัความเมตตาครับผมคนเราเราจะทุกข์กันเพราะว่าเราไม่ยอมรับกับสภาพความเป็นจริงของเราติดคุกก็ทุกข์เพราะไม่อยากจะติดแต่ถ้าอยากจะติดคุก ม, มันจะทุกข์ไหมไม่นะถ้าเราไม่ติดคุกถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์เราต้องยอมยอมรับความจริงว่าเราไปไหนไม่ได้เราถูกจับติดคุกนี่ แล้วเราจะทำยังไงถ้าทำให้เราไม่ทุกข์เราก็อย่าไปอยากอยากไม่ติดสความอยากนี่ก็คือวิภาวตัญหาอยากไม่เป็นอยากไม่ติดคุกอพอเกิดความอยากไม่ติดคุกขึ้นมามันก็ทุกข์ขึ้นมาพอเราหยุดความอยากได้คือยอมติดก็ต้องติดไปไหนไม่ได้ความทุกข์ก็จะหายไปเย็นใจก็เย็นลงมาทันที ซึ่งทุกคนในที่สุดไม่ช้างก็เลยก็ต้องปรับปรับใจใช่ไมใหม่ๆนี่มันจะทุกข์มากเวลาไปติดคุกเนี่ยแต่พออยู่ไปอยู่ไปมันเริ่มรับทราบความเป็นจริงว่าอยากยังไงก็ออกไปไม่ได้ก็ื่อยอมพอยอมยอมติดเนี่ความทุกข์ก็บรรเทาลงไปแต่ไม่หมดเพราะยังมีความอยากออกอยู่นะแต่ถ้าอยากจะให้มันมันมันไม่มีความทุกข์เลยนี่ก็ต้องยอมอยู่ ยอมจริงๆอ่ะอยึดติดก็ติดติดไปันกว่าจะเขาปล่อยออกมาถ้าเขาไม่ปล่อยก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับมันไปแต่มันมันใช้ได้กับทุกสถานการณ์เนี่ยถ้าเราอยู่ในสภาพอะไที่เราไม่ชอบเนี่ยเรามังใจต่อต้านเราจะไม่ยอมเราม้ำังใจจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอามรู้สึเป็นไปตามความอยากของเรามันก็เลยทำให้ใจเราร้อนขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรายอมเห็นว่าด้วยปัญญาว่า มันเป็นสิ่งที่เหนวิสัยเราที่จะไปเปลี่ยนแปลงสภาวะเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ยอมยอมรับมันไปยอมอยู่กับมันไปยอมจำนวนด้วยด้วยความจริงยอมจำนวนต่อความจริงไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างอื่นใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะเย็นนี่คือหลักการง่ายๆเวลาในที่เราทุกขึ้นมาถามตัวเองเรากาลังไม่ยอมอะไรอยู่ใช่ไหม พยายามรับกับสภาพมันได้อยู่พอเราพิจนารณาว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่เป็นทค่นก็ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วจะเป็นอะไรก็าตามเช่นสมัยนี้คนเราลกลัวโรคมะเร็งกันใช่ไหมแต่ถ้าไปแจอโรคมะเร็งเข้าจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเลย แต่ถ้าเรานั่งคิดอีกทีแล้วเราทําอะไรได้บ้างลมอะไรมันให้มันหายไปได้ไหมมันก็ไม่หายนอกจากรักษาซึ่งรักษาต้องใช้เวลาแต่ตอนนี้มันมันทุกข์มันไม่อยากให้มันเป็นไม่อยากให้อยากให้มันหายทันทีเนี่ยความอยากให้มันหายทันทีอยากให้มันไม่เป็นเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ถ้าเราหยุดความอยากนี่ได้ยามแล้ว่าเป็นก็เป็นอันนี้เป็นก็เป็นอยู่กับมันไปแต่ไม่ได้ห้ามแม่รักษาอยากจะรักษาก็รักษาได้ แต่ตอนนี้มันรักษาไม่รักษามันก็เป็นอยู่นะั่นแหละถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็เป็นก็เป็นยอมรับใจก็จะไม่ทุกข์แล้วก็รักษาไปหายไม่หายก็อีกเรื่องถ้าอยากให้หายแล้วไม่หายก็ทุกข์ อ, อีกก็นี้่มันอยู่ที่ความอยากของเราที่ทําให้เราทุกข์เพราะเราเราไม่หยุดไงเราไม่หยุดความอยาก บางที่เรายอมแต่เราหยุดความอยากไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันความอยากมันมีกําลังมากกว่าเนี่ยเราก็ต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิกันเมื่อมีสติมีความควารับความจริงนี่หยุดให้ใช้จิตหยุดความอยากให้ได้ถ้าจิตมีสมาธิระดับอปปนาสมาธิเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นแบบเป็นอปปนาสมาธิมันก็จะเป็นแบบ ภาวนาะไม่ยับปัญญาได้มล้วพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ลบภัยคลายเจ็บเพนั้นมันจะตเกิดขึ้นเมื่อมันเกขึ้นแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยู่กับมันไปยอมรับมันไปถ้าเรามีสมาธิมากๆเราก็จะหยุดความอยากได้ความอยากไม่ให้เป็นได้อความอยากให้มันหายได้ มันยังไม่หายมันก็มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้จะทํายังไงยิ่งประหยัดไว้ก็ยิ่งทุกใหญ่ยิ่งประยาดให้มันหายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยู่กับมันไปหยุดความอยากให้มันหายไปปัญหาก็คือเรามักจะไม่มีกําลังหยุดกันไม่มีกําลังสู้กี่ดกันสู้ความอยากกันบางทีเราก็รู้ว่าเนี่ยมันเป็นห้ามไม่ได้ครับ แต่มันทุกข์ทุกข์เราเราหยุดความอยากให้มันไม่เป็นไม่ได้เราถึงต้องมาปฏิบัติทำกันมาฝึกสตินั่งสมาธิกันให้มากๆถ้าเราสามารถนั่งสมาธิทําจิตให้นิ่งได้เราก็มีกําลังหยุดความอยากได้เพราะความอยากใช้การทํางานของจิตเนี่แหาะพอจิตคิดปับ๊บความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาทันทีแต่พอเราหยุดความคิดได้นั่งเข้าสมาธิได้ความคิดหยุด มันก็ความอยากก็ทำงานไม่ได้เพ้วความอยากทำงานไม่ได้ทุกข์ก็ไม่เกิดใจเราก็เย็นการฝึกสมาธินี่จงเป็นเรื่องเป็นเป็นกิจที่สำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้กับความทุกข์แต่ไม่ได้เป็นกิจเดียวกิจที่สำคัญกว่าก็คือปัญญาแต่ปัญญาทำงานโดยลาพังมันไม่ได้ปัญญาต้องมีสมาธิเป็นผู้ช่วยอีกที ถึงจะทำได้สำเร็จที่จะเป็นภาวนาเมยปัญญาขึ้นมาถ้าไม่มีสมาธิก็เป็นสุตตะหรือจินตามัยปัญญาซึ่งเราก็ได้ยินได้ฟังเราได้ศึกษามากันตลอดเพราร่างกายของเราไม่ช้า ก, ก็เลยก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกคนแต่ทําไมเวลาเป็นแล้วเราถึงทุกข์กับมันเพราะเราไม่อยากเป็นเราหยุดความอยากไม่เป็นไม่ได้แต่ถ้าเรามีสมาธิ แล้วแา้ยอมรับว่ามันต้องมันต้องเจ็บนะพอจะเป็นอะไรก็ยอมรับไปหยุดความอยากไม่เป็นได้ใจก็จะหายทุกข์ความสาคัญอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การปฏิบัติสติสมาธิเพราะปัญญาเรารู้กันแล้วเนี่ยได้ศึกษากันมากมายพอแ้ได้ยินแล้วร่างกายเกิด แ, แก่เจ็บตายเป็นธรรมดาร้องทความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ แต่เรายังทุกข์กับมันอยู่เพราะว่าเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายกันเพราะเราหยุดความอยากนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกสติไม่นั่งสมาธิถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิเข้าสมาธิได้เราจะมีกําลังหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราก็บอกอ๋อนี่เราทุกข์แล้วนะทุกข์เพราะอยากไม่เป็นใช่ั้มถ้ามันเป็นเราจะทำไง ตอนนี้มันไม่หายร่างมันก็ไปมันก็ไม่ไยต้องอยู่กับมันวิธีอยู่กับมันโดยที่ไม่ทุกข์ก็คืออยู่เฉยๆห้สักแต่ว่ารู้ไปใจเป็นอุเบกขาไปอย่าไปอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันไปเดี๋ยวมันไปเองถึงเวลามันก็ไปเองไม่ช้าก็เร็วโลกทุกโลกมันก็ต้องหายหายช้าหายเร็วหายแบบไหนไดครับ ม, มีหายแบบเราแพ้เราตายไปเลยก็มีนะครับอาจารย์ยังไม่คยก็หายขั้นสุดท้ายไงหายหายแบบ้ายขาดแบบนี้อ <laughs> าจารย์ครับยางงั้นฟังดูเหมือนยอมยอมกับหยุดนี้เป็นเหตุแล้วเย็นเป็นผลอย่างงั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ถูกต้องถูกต้องยอมเป็นปัญญาเห็นแล้วว่ามันมันต้องเปลยนมันเป็นนิจจนะทุกขานัตตา เราห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็รู้ว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากตอนนี้เราทุกข์ก็อยากให้มันหายแต่ก็ไม่หายทำังไง้าอยู่กับมันอยู่แบบไม่ทุกข์ก็คือต้องยอมยอมอยู่กับมันไม่ไม่ไม่ไม่ต่อสู้ไม่อยู่การต่อสู้ด้วความอยากหยุดความอยากพอยุดความอยากใจก็เย็น อย่างที่มีคาถาที่พระเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาที่พระท่านส่วนงานสศพเนี่ยท่านบอกว่าอ น, นิจจาวัฏสังขาระสังขารทั้งหลายเช่นร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยมีเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาแต่สร้างวุปสมสโภชุโขถ้าถ้าปล่อยวางได้ถ้าปล่อยวางร่างกายได้ยอมให้มันตายได้ก็จะเป็นความสุขอย่างยิ่ง ก็ยอมตายนะยอมตายหยุดความอยากไม่ตายในสร้างอุปัสมโอสุขโขกาคือก็จะสุขใช้ก็จะเกิดความสุมอย่างยิ่งครับตอนบางสกุลใช่ไหมครับอาจารย์บนนี้รยบัตรสกุลครับยอมรับความจริงมี่ก่อแล้วก็ต้องไปดับเป็นธรรมดานัางกายถ้ายอมรับได้ ปล่อยวางได้ปล่อยให้มันตายได้ไม่ไปอยากให้มันไม่ตายได้ก็จะเกิดวุปสมัมโภสุโ ข, ขเตสร้างวุปสมัมโภสุโขขึ้นมาเป็นความสุขอย่างยิ่งที่เราต้องต้องยอมหยุดเยน็นกันถ้ า, าอยากจะให้มีตใจเราเยน็นไม่ทุกข์กับเหตุารณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามามันเป็นอย่างนี้เราอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่น อ่อนไปอยาให้มันเป็นอย่างอื่นแล้วไม่ได้เป็นไปตามความอยากมันก็จะทุกข์ขึ้นมาทารู้ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วยอมแล้วก็หยุดความอยากอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปให้มันเป็นไปใจก็จะเย็ยนใจก็จะไม่ทุกข์ครับกลับขอบพระคุณพรอาจารย์ครับเลยฟังแล้วว่ายอมเป็นปัญญาตอนหยุดนี้เป็นเป็นการียาขงเราเป็นแอคชั่นของเร า, เเราใช่ไหมครับอาจารย์แช่นของเราเราต้องหยุดหยุดความอยาก แล้วเมื่อยุนได้ความความทุกข์ก็จะหายไปความเย็นความสงบก็จะเข้ามาแทนที่ครับผมจะนําไปปฏิบตัติต่อไปนะครับอาจารครับใช้ได้ทุกวันเลยเราเวลาเราทุกข์ขึ้นมาตอนนี้มกวเรากําลังอยากอะไรนะลมอากาศร้อนขึ้นมาก็อยากให้มันหายนะนครับอากาศร้อนขึ้นมาก็ทาให้เราเหมือนนี่ลองเครื่องทำความอากาศเสียดูเลยแล้วดูที่ จใจจะร้อนแล้วใจจะเย็นครับแต่ถ้าคนมีปัญญาว่าปัญญานิจังเครื่องของอากาศมันมีเสียได้เป็นธรรมดาเราห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะหงุดหยิดกับมันก็เราก็อยู่กับมันไปอยู่กับความร้อนไปอยู่กับการไม่มีแอรใช่ไปมันก็ไม่หงุดหยิดมันก็อยู่ได้มีคนคอมเมนต์มาว่าใจมันไม่ยอมรับ นี่สิขับอาจารย์ว่ามันเป็นแล้ ว, ม, วมันเป็นทุกข์จริงๆครับใช่เพราะเราไม่ฝึกสตินั่งสมาธิกันเนี่ยนี่เราเราใช้เวลามากมายให้กับการรักษาร่างกายอย่นี้คนนิยมวิ่งกันใช่วิ่งออกกําลังกายกันวันละหลายชั่วโมงเลยเนะแต่ทำไมไม่ยอมออกกําลังใจบ้างในการนั่งสมาธินี่เป็นการออกกําลังใจสร้างกําลังหยุดกิเลสสร้างกำกำลังเพื่อหยุดตัณหาแลความอยากที่มันสร้างความทุกข์ให้กับใจ ถารนั่งสมาธิจิตสงบได้สบายไปเยอะเลยเวลาเกิดความทุกข์ใจเกิดความอยากขึ้นมาแล้วรู้ว่าอยากไปก็ไม่ได้อะไรได้จากความทุกข์เราก็หยุดมันเยอดีกว่ามีความอยากใจก็หายทุกข์กับพระคุณพระอาจารย์ครับจะขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนเพื่อนบ้างนะครับ เวลาที่เราไม่ชอบใครทำไมจิตเราชอบไปคิดถึงเรื่องเก่าๆที่เขาทำกับเราไว้ยิ่งอยากไปไม่คิดก็ยิ่งคิดควรจะวางจิตฝึกจิตอย่างไรให้ไม่ทุกข์กับเรื่องร้ายๆในอดีตได้ครับก็เ ร, เราต้องฝึกสตินี่ เ, เวลาคิดในเรื่องที่ไม่ดีเราก็ใช้สติหยุดมันวิธีที่จะเจริญสติขึ้นมาถ้ายัางไม่มีสติก็คือที่เวลาจิตเราคิดเรื่องไม่ดีล้าก็ใช้คาบาิกามพุโทโธมาสกัดกั้นไว้ก่อนก็ได้ บริการพูดทัวพูดทัวไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีได้เดี๋ยวพอเราลืมเรื่องที่ไม่ดีไปความทุกข์ใจก็จะหายไปชั่วคราวอันนี้ใช้เครื่องมือคือสติการบริการพูดทัวร์นี่เป็นการปกสติขึ้นมาสร้างสติให้หยุดความคิดไม่ดีเสียชั่วคราวถ้าเราอยากจะให้มันหายไปอย่างถาวรเราก็ต้องคิดพิจารณาด้วยปัญญาว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมานี่มันผ่านไปแล้ว มันไม่มันไม่มีแล้วความจริงมันหายไปหมดแล้วเรามาคิดเองเอามาสร้างความคิดของเราให้ทุกมันมามาเหยียบย่ำจิตใจของเราเองด้วยความอยากอยากให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้เขาไม่เป็นอย่างนี้นึกอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้นนนน ม, นนมันก็อะไรทำให้ใจเราทุกงั้นก็อย่าไปคิดถึง อ, อดีตดีกว่าอดีตมันผ่านไปแล้วคิดแล้วทําให้เราทุกคิดไปทําไม ตอนเช้าตื่นขึ้นมายังไม่ได้ล้างหน้าแปลงฟันเลยจะสวดมนต์เลยได้ไหมครับได้ทําได้เลยพอเล่นตาขึ้นมาก็พุโทโธอยู่ในท่าไหนก็สวดได้ถ้าเราสวดไปภายในใจพอลุกพ อ, พอตืน่นขึ้นมาเล่นตา ย, ยังไม่ลุกขึ้นมานั่งก็สวดไปก่อนเลยก็ได้หน้าโมตัะอะไรไปเลยก็ได้สวดในเตียงก็ได้แต่เพียงแต่ว่าต้องระวังเดี๋ยวมันจะหลับต่อนชะ่ไหมถ้าอยู่ในท่านอน มีคุณอาภาพรบอกว่าลูกดูแลพ่อแม่ครับแต่โดนพี่น้องโกงเงินไปจนหมดตัวแต่ตอนแรกก็ทุกข์ครับตอนนี้ลูกปล่อยวางแล้วตอนนี้ครอบครัวลูกมีความสุขดีครับอาจารย์ครับก็ยอมรับมันจริงไหมฮะความไม่เที่ยงของเงินทองวันนี้อยู่เราพว่งนี้มันก็อาจจะจากเราไปก็ได้เมื่อจากไปเราเราอยากจะให้มันกลับมาเราก็จะทุกข์เพราะมันไม่มายอมยอมให้มันไป อยู่กับการไม่มีเงินทองไปแต่อยู่ยังมีความสุขเสียเงินแล้วอย่าไปเสียใจอย่าไปเสียสองแดงนะเสียของแล้วอย่าไปเสียใจถ้ามีปัญญาจะเสียแดงเดียวเงินทองเราห้ามมันไม่ได้มันรักษามันไม่ได้มั น, ม, ม, นมันดีคืนดีมันจะไปมันก็ไปแต่ใจเรารักษามไม่ทุกข์กับมันได้แลวเวลาเนี้ยถ้าก็มีปัญญาจะเสียแดงเดียว อ้ไม่บีปัญาจะเสียสองเดงแล้วสามเดงคิดอยู่เรื่องนี้คิดทีไรก็ทุกขึ้นมาทุกทีมันสองวันก่อนคนไปซื้อทองอะครับะอาจารย์ซื้อแปดหมื่นวันเดียวล่วงเลยก็กสเนะสเยียใจตอนนี้ล่วงไปห้าหมนแล้วมั้งครับะอาจารย์ก็ไม่ไม่คิดถึงการนิจจานะมีขึ้นมีลงเป็นธรรมนาดามีเกิดมีดับเป็นธรรมด า, นาน โยมเจอคนที่มีพฤติกรรมที่มีพฤติกรรมในแบบฉบับของเขาบางทีโยมก็ยากที่จะปรับตัวเข้าหาเพราะเสมือนเป็นคนและบุคลิกกันเราจะต้องใช้หลักการหลักธรรมอย่างไรกับคนที่ต่างไปจากเราครับอาจารย์ก็บล่อยให้ก็เป็นไปเราก็อยู่เฉยๆของเราไปเถอะเราไม่ต้องไปปรับตัวเข้าหาเขาก็ได้แล้วก็เป็นของเราเขาก็เป็นของเขาต่างฝ่ายก็ต่างอยู่กันไปเท่านั้นเองเขาเป็นมรรคอเราเป็นสัพพรสก็ต่างฝ่ายก็ต่างอยู่กันได้ มรก็สับ ป, ประรดแล้วเรเห็นมันจะตีกันนยมันก็อยู่ของมันได้เข้ามาอยู่ในจานเดียวกันเลยอยู่ด้วยกันได้ครับงั้นจะเราต้องทำใจเอทํำใจว่าเราเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นเราไม่ไปเปลี่ยนเขาเราก็อยู่ของเราไปอยู่ร่วมกันได้ก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางค่านเอง คุณสกายถามบอกว่าการได้ขั้นอัปนาสมาธิทําให้เห็นคนปกติเป็นซากศพได้ใช่หรือไม่ครับเไม่เกี่ยวกันสมาธินี้เป็นอย่าทําใจให้นิ่งให้สงบให้เย็นให้สบายมีความสุขปราศจากความคิดปุ่งแต่งนะส่วนกนารจะเห็นซากศพหรือเห็นอะไรนี้ต้องขั้นพิจารณาก็เราต้องนึกนึกคิดขึ้นมาในใจของเราถ้าเราอยากเห็นซากศพเราก็ต้องนึกถึงซากศพอยู่เรื่อยๆมันก็เราท่องสูตรคูณเนี่ย ถ้าเรายากท่องสุดคุณเป็นแล้วก็ต้องหัดท่ออยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเราจำได้ไม่ลืมสร้างสมก็แบบเดียวกันถ้าเราอยากจะเห็นสร้างสม อ, อยู่เรื่อยๆโดยไม่ลืมเราก็ต้องพยายามคิดถึงสร้างสม อ, อยู่เรื่อยๆจนกว่ามันจะฝังอยู่ในใจของเราแล้วทุกครั้งที่เรามองร่างกายเราก็สามารถมองให้เป็นสร้างสมได้เลยโดยที่มันไม่เกี่ยวกับสมาธิแต่สมาธิอาจจะมีส่วนเพราะว่า ถ้าไม่มีสมาธิจิตจะเลาะจิตจะหิว่าเรามณอื่นจะไม่อยากคิดทางมันไม่ชอบคิดเรื่องซากศพจิตมันชอบคิดเรื่องสวยๆ ง, งามๆมากกว่าถ้าไม่มีสมาธิเพราะเวลาไม่มีสมาธินี่นะแสดงว่ากิเลสมันทํางานการมาฉันทะความอยากอยากเสียงรูปเสียงเกล็ดรดสวยๆงามๆมันก็จะดึงใจให้ป ม, มองแต่ภาพสวยๆงามๆของร่างกายมันจะไม่ยอกให้เรามองภาพไม่สวยของร่างกาย เราก็เลยไม่มีโอกาสที่จะจดจาภาพที่ไม่ที่ไม่สวยให้มันอยู่ในใจของเราได้เราก็เลยมองไม่เห็นซากศพแต่ถ้าเรามีสมาธิน่าหนี้กิเลสมันไม่ทำงานคือรืออ่อนกำลังลงมากมันไม่สามารถดึงใจให้เราไปคิดทางด้านสวยงามได้ถ้าเราอยากดึงความาทงางอสุภามันก็ดึงมาได้ครับะนัสมาธิก็มีส่วนช่วยให้การพิจารณาสิ่งที่กิเลสไม่ชอบน้น สามารถพิจารณาได้ความตายนี่กินเอก็ไม่ชอบอาการทางที่สองกินเอก็ไม่ชอบอสุพากินเดก็ไม่ชอบท่าศพกินเอก็ไม่ชอบชอบจะพิจารณาแต่ปรากวดนางงามที่นั่นปรากฏแฟชั่นที่นี่ชอบชอบไปแบบนั้นมากกว่าแต่คนที่มีสามาธินี้สามารถใจไม่อยู่กับการมาฉันทะไม่ไม่นึกคิดถึงมัน นี่เราก็สามารถกําหนดบงสั่งให้มันคิดไปทิศทางไหนก็ได้จะคิดไปในทางการมาชันท้าก็ได้จะคิดไปในทางอสุภะก็ได้เพราะตอนนั้นใจเป็นกลางเมื่อเามีสมาธิแล้วใจยังเปเหมือนเป็นกลางไม่เอ็นไปทางกิเลสไม่เอ็นไปทางธรรมล้วถ้าอยากให้มันไปทำธรรมเราก็ดําเนินมึงาให้คิดทำธรรมพิจารณาอนิจจเกิดแกแจบได้พิจารณาสุภะพิจารณาการสัสองมันก็จะมา ก็ไม่มีกิเลสมาคอยดึงเอาไว้เพราะตอนนั้นใจเัาเป็นกลางอันนี้ต้องหมายถึงตอนที่ออกจากสมาธิแล้วนะตอนที่เห็นสมาธินี้ใจไม่ทํางานแต่พอออกจากสมาธิใหม่ๆใจยังเป็นกลางอยู่ยังมีโอเวคัสตินอยู่ก็อาจจะพิจารณาได้สักระยะหนึ่งเพราะทั้งพังแล้พอใจเริ่มนอนพอกิเลสมันเริ่มมีกำลังแลทีนี้ก็พิจารณาไม่ได้คิปกิเลสก็จะดึงให้มันพิจารณาของสวยๆองงามใหม่ตอนนั้นเราก็ต้องเข้าสมาธิใหม่ ถ้าเราอยากจะพิจารณาอยากจะมีกําลังพิจารณาสุภาพต่อแล้วก็ต้องเข้าไปในสมาธิทําใจให้เป็นการใหม่แล้วพอออกมาจากสมาธิแล้วก็นึินมาคิดทำทางอสุภาพทางทางธรรมใหม่แล้วทำอย่างนี้ไปเๆๆๆต่อไปแล้วก็ฝังอยู่ในใจจะพอจําได้แลท้ทีนี้ก็ไม่ต้องหวังคาดหวังนะทีนี้เราสามารถ ความนึกปั๊บมันก็มาทันทีเลยเหมือนกันเวลาเราสวดเราจะใช้สูตรคูนนี่พอนึกถึงเลขที่เราต้องการจะคูณปั๊บมันก็มาเลยเพราะว่าเราฝึกฟังให้มันอยู่ฟังอยู่ในใจเราจะนั่เราจดจําได้แปดคูนแปดเท่าไรเก้าคูนเก้าเท่าไหร่มันจะโผล่ขึ้นมาทันทีรอาจารย์ครับมีพระอนาคามีนี่ท่านท่านก็ไม่ได้เห็นอสุภะตลอดเวลาใช่ไหมครับคือเห็นเวลาที่ท่านใช้ปัญ ภาพนาคานี้เห็นตลอดเลยต้องใช้ปัญญาเห็นไงครับผมแต่ภาพสกริราคานี้ไม่เห็นตลอดเวลาเห็นห้าสิบห้าสิบท่านยังขี้เกียจอยู่ยังขี้เกียจท่านแสดงว่าบัที่สมาธิของท่านอยช่วงอ่อนลงท่านยังไว้กลับเข้าไปฌานอย่า ง, าางท่านเห็นญาติโยมนี้ท่านไม่ได้มองเป็นอสุภะใช่ไหมครับอาจารย์ <laughs> ท่านมองตามจริงอยู่แต่เพียงแต่ว่าท่านใช้ปัญญาขึ้นมาได้ตลอดอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ ก็แล้วแต่ว่ามีกินเลสหรือว่าถ้ามีกินเลสปั๊บก็ประกอบกันได้ทันทีพอเห็นว่าสวยว่างามปั๊บก็เห็นอาการที่สองขึ้นมาทันทีเห็นสรากศพขึ้นมาทันทีถ้าเห็นเฉยๆไม่ได้สวยไม่ได้งามไม่มีการอารมณ์ก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้ปัญญาปัญญานี้เป็นหนัญยาไงถ้าถ้าไม่มีโรคภยัยแค่จัดกินยาไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่ปวดศีรษะแล้วกินยาแค่ปวดศีรษะไปมันก็ไม่มีความแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดอาการปวดศีรษะแล้ว กินยาแก้ปวดศีรษะอาการกวดศีรษะก็จะหายไปการเล่นยามก็เหมือนกันถ้าอยู่เฉยๆมองใครไม่มีการมาลงมันก็ไม่รู้จะไปดูอะไรทําไมมันก็ไม่มันไม่มีการมาลงดูไปมันก็ไม่ได้ดีไม่ดีอาจจะดูแล้วอาจจะเป็นลังเกตยจเขาก็ได้ไังเกจเขาขึ้นมาก็ได้อันนี้เอาที่เป็นเรื่องในกติในกติวิปัสสนาซึ่งอาจจะอันนี้ก็เป็นความหลงอย่างหนึ่งทําไปทํามากับไปเกียดชังเขาขึ้นมา แต่ถ้าไปมองว่าเขาสวยวเขางามเขารูปหลอ่อแลมองเห็นว่าเขาเป็นซากศพนี้มันก็จะหยุดความการมโนนิ่งได้ในบางทีใช้ปัญญาก็ต้องฉลาดใชใ้ถูกเหมือนกับกินยาเนี่ยถ้าใช้ไม่ฉลาดกินยาเกินก็กลายเป็นโอเวอร์ด وز ได้เป็นกลายเป็นกลายเป็นสร้างโรคขึ้นมาใหม่ก็ได้ความเจ็บไข้ขึ้นมาใหม่ได้ ต้องรู้จักประมาณใช้แล้วต้องรู้จักเวลาใช้ด้วยคุณธรรมชาติครับการดูแลคุณแม่สูงวัยและป่วยหลายโรคและเหนื่อยเกินไปจนจะป่วยด้วยถ้าพาไปไว้ศูนย์ดูแลจะวางใจอย่างไรดีไม่ให้รู้สึกผิดทั้งคุณแม่และเราครับก็อย่าพาไปสิถ้าเรารู้สึกผิดก็อย่าพาไป คิดว่าแม่มีบุญคุณกับเรามากเลียดูเรามาตอนเด็กตอนเด็กนี้ท่านอุ้มเราท่านช่วยเราทุกอย่างในขณะที่เราช่วยตัวเราเองไม่ได้ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่เราควรที่จะทดแทนบุญคุณอันยิ่งใหญ่นี้ให้กับท่านเพราะถ้าไม่มีท่านปัจจุบันเราก็อาจจะไม่ได้อยู่มาจนถึงวันนี้ก็ได้คิดถึงบุญคุณของท่านแล้วคิดถึงกุศลเมือบุญกุศลที่เราจะได้รับจากการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ พระเจ้าบอกว่าการทดแทนคุณพ่อแม่นี้เป็นบุญกุศลมากเท่ากับทาบุญกับพระอรหนันต์ยัได้บุญมากจากป้าบัวครับถามว่าใส่บาตรถวายแมสแต่ในซองที่เหลือให้พระเพราะฝุ่นเยอะเห็นพระไม่ได้ใส่แมสถามว่าถวายแมสได้ไหมครับไดอ้อาจจะเป็นของที่เราเปิดมาใช้แล้วยังเหลือครึ่งหนึ่งเรย่างยังไปถวายก็ได้ แต่ว่าธรรมเนียนิยมของคนไทยที่ทำบุญมักจะถวายของใหม่ของดีไม่ใช่ของที่ใช้แล้วแต่ถ้าคิดว่ามันยังเป็นเป็นของที่ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับของใหม่ก็ถวายได้แต่จะได้บุญมา ก, กเท่ากับการถวายของใหม่ๆเลยที่ไม่ได้ใช้ในนี้อาจจะตัดกันก็ได้ ศาสนาพุทธของพระโคตมะพุทธเจ้าจะมีอายุประมาณ 5,000 ปีและจะเข้ายุคพระศรีอริยเมตไพรเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งขึ้นมาครับเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช่เข้าไปทันทีจะม า, า 5,000 ปีผ่านไปแล้วนี้ยังไม่เข้าสู่ยุคพระศรีอรันทันทีนะอาจจะต้องรอยไหลายกลับหลายกันกว่า จ, จะมีพระศรีอนมาตัดสัมวิปุรุตเจ้าอีช่วงนั้นเขาเรียกว่าเป็นช่วงพุทธนนันดรนั่นร้สึกไช่วงที่ไม่มีคำไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลก บางเรื่องราวเห็นความคิดและอารมณ์ตัวเองเรื่องเก่าดับเรื่องใหม่มาเกิดดับเองแบบไม่มีทุกข์อะไรแต่มีเรื่องที่กําลังจะลาออกว่าอีกหน่อยชีวิตจะใช้เงินได้น้อยลงตามใจความอยากไม่ได้แล้วมีความกังวลบ้างจะวางใจอย่างไรดีครับกับเรื่องนี้ครับเราคิดไม่รอบค้าเราไม่คิดว่าเรา จ, จะตายพรงนี้ก็ไดไ้อาจจะตายปีหน้าก็ได้เงินที่เราสะ ส, ะสมมาอาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้ คิดอย่างนี้บ้างที่เราไปคิดในทางลบอย่างเดียวคิดในทางบวกว่ามันเป็นได้ทั้งสองทางไงมัน จ, จะอยู่ไปจนกระทั่งแก่เท่าไม่เงินที่สะสมไว้อาจจะหมดไปแล้วก็ได้ถ้าหมดก็ยอมตายถ้าก็หมดเนี่ยมันยังยย่งไงไม่ช้าก็เล้วมันก็ต้องตายอยู่ดีมาทุกว์มากังวลกับมันทําไมไม่เกิดประโยชน์อะไรก็พยายามใช้น้อยหน่อ ย, อ ย, อยมากน้อยเป็นสันโดด เรารู้สึกว่าเงนนี่จะไม่ไ ม, ไม่ไม่พอแล้วก็ลดการใช้จ่ายลองอีกครึ่งนึงเลยมันก็ยืดเวลาไปได้เท่านึงทันที่กินสามมื้อแล้วกินแค่สองมื้อก็ลดไปหนึ่งในสามนะแล้วเดีถ้ายัางยังอยู่ต่อไปได้ก็ลองลดลดเหลือมื้อเดียวดูก็ได้มันก็ยื่ยาวไปได้ไงถ้าเราอยากจะอย่างจะอยู่จริงๆนะแต่บางทีมังเวลาท่านนันก็ไม่อยากจะอยู่แล้วไม่รู้จะอยู่ไปทาไม <laughs> พระอาจารย์ก็ฉันมือเดียวมาตั้งโหตั้งสี่ห้าสิ บ, บปีแล้วครับตั้งด่บนบวชเลยตั้งด่านบวเลยห้าสิบปีแล้วห้าสิบเยเดอนหน้ากุมภาเดือนหน้าก็ครบห้าสิบเอ็ดปีบว 1, หนึ่งบาทโอ้หเนี่ยปีหกเก้คาครับห้าสิบเอเก้ากุมพาครับแลวก่อนหน้านั้นก็กินมือเดียวก่อนที่จะบวชเป็นคาราวะาก็กินมือเดียวอยู่ปีหนึ่งครับผมก็อยู่ได้ อายุยืนกว่าคนอื่นกินสองสมมือด้วยนะครับรอาจารย์ครับอืเราไม่ต้องใช้เงินมากเลยกินแค่มือเดียวแล้วกินอาหารถูกๆ ก, กินอหาแบบชาวบ้านชาวบ้านเนือเส้นเดียวผัดข้าวผัดอะไรเงี้ยอาหารตามสั่งนี่มันก็จานเดียวบางทีจานของจานก็อิ่นะก็กินน้ําปล่าไม่นั่งกินเครื่องหนึ่งไม่ต้องกินอะไรของงงของหวายไม่ต้องกินะ เอาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าตอนนั้นเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิมันก็เลยไม่ค่อยหิวโหยกับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรดเท่าไหร่ไม่ดูเลยไม่เดูอะไรทั้นถถงนั้นคเลยลก็ถึงธรรมชนะลดทั้งปวงคุณตุกตาครับบอกว่าเป็น i n t r ว v e r t ครับไม่ชอบวุ่นวายแต่มกักจะเจอคนที่เป็น extrovert พูดมากจะต้องวางใจอย่างไรครับ ก็ฝึกสมาธิเนี่ยวางใจเมนูใบขายอมรับเขายอมหยุดเย็นเนี่ย น, นี่ก็ย้ใช้ยอมหยุดเย็นก็ได้ยอมรับว่าเขาเป็นอย่างนี้แล้วอย่าไปอยากะยะให้เขาเป็นอย่างอื่นอย่าไปอยากะยะให้เขาเป็นเหมือนเราแล้วก็อยูอย่เฉยๆกับเขาเวลาเขาจะเป็นอะไรก็ปล่อยเ็เป็นไปแล้วอย่าไปอยากะยะให้เขาไม่เป็นใจเราก็จะไม่ทุกข์กับเขา คุณไว้รถทัศนะขอโอกาสครั บ, อาารบตอนนี้จ่ายค่ารักษาประจําให้พระหนึ่งรูปท่านบอกว่าท่านหลุดพ้นแล้วหนูหมดศรัทธาพฤติกรรมท่านดูมีมารณ์มีอคติเอื้อผลประโยชน์กลุ่มสิบใกล้ชิดพอดีแม่ปรนาค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลท่านไว้แต่แม่ควักจ่ายช้าที่ผ่านมาหนูเลยออกให้เองกะว่าพอแม่ตายหนูจะเลิกจ่ายเอาเงินไปทําบุญโรงพยาบาลสง่งแทนน่าจะมีความสุขกว่าหรือควรเปลี่ยนตอนนี้เลยดีให้แม่จ่ายของแม่ไปเองเลยไหมครับ ก็เป็นสิทธิของเราที่จะตัดสินใจได้การใส่บาตรทำบุญให้คนตายเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าถึงคนที่ตายครับเราต้องมีาญาณอย่า ง, อ ย, างอย่างทราบเหมือนกับพระพุทธเจ้าสามารถที่จะเห็นติดต่อกายทิฏได้เวลาอุทิศบุญไปเขาก็จะมาบอกเราแล้วเราจะรับทราบได้จากการที่เขามารับ แต่ถ้าเราไม่มียานอย่างเชานไม่มีตาทิเนี่ยเราก็จะไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามีใครมารอรับบุญส่วนนี้ไปหรือเปล่าคนอินเดียนั่งขอทานตั้งแต่เด็กจนมีครอบครัวมีลูกใช้บทสวดมนต์ขอทานว่าพุทธังสะระนังคัชชามิอย่างนี้เขาจะมีอนิสงส์ไหมครับก็ได้เงนิงนได้กันจากการสวดฮะแต่เขาไม่ได้สวดเพื่อให้ได้สมาธิได้สติ เสดเพื่อเอาเงินด้า น, นิสงได้กิเลสได้ความโลภธรรมะนี้กรรมาสามารถใช้มาในเครื่องมือของกิเลสได้มีอะไรก็เป็นทุกข์มีเมียมีลูกก็เป็นทุกข์ใช่ไหมครับกอเลอาดูสิเลยกถามคนที่เขม้มงวดกันทุกข์ทไม่ทุกข์แต่เขาไม่มองกันไงเขาั้งจะมองแต่ด้านดีด้านสุขเขาก็เลยมองไม่เห็นด้านทุกข์ แล้วนนทุกบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดแล้วเกิดขึ้นบ่อยนานมันจะเกิดขึ้นทีแบบรุนแรงแต่ทุกแบบที่ต้องคอยห่วงคอยยังวอนนี่มัน ม, มีอยู่ทบทุกวันเวลาที่เราไม่ได้เห็นหน้าลูกของเราเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็แล้วกังวลให้เป็นอะไรหรือเปล่าแ <c> ต <oughs> ่ถ้าเวลาเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะทุกข์มันจะแสดงความทุกข์ขึ้นมาบ้างแต่ถ้าเราไม่มีลูกเราก็จะไม่มีความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้น หลังจากออกจากสมาธิแล้วใช้ชีวิตประจําวันแต่มีความรู้สึกรับรู้การไหลของเลือดในร่างกายตามแขนบ้างตามขาบ้างเหมือนน้ําไหลในสายยางกําหนดรู้แล้วการรับรู้นั้นก็หายไปแต่รับรู้ถี่มากขึ้นขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยครับว่าเกิดจากอะไรแล้วควรปฏิบัติอย่างไรต่อครับไม่เป็นประเด็นสําคัญที่เราจะต้องไปรับรู้เลยเรื่องไหลเวียนลมหายใจมันเข้าไปในปอดออกไปที่ไหนนี้ ไม่มีไม่มีสาระประโยชน์ในเชิงปฏิบัติธรรมเชิงปฏิบัติธรรมเพียงแต่ให้เรารู้ว่าร่างกายนี้มันก็เป็นสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็อาจจะดีขึ้นมาเดี๋ยวมันอาจจะทุกข์ขึ้นมาอาจจะเจ็บไข้แม่ป่วยขึ้นมาเท่านั้นก็พอให้รู้ว่ามันต้องเปลี่ยนมันจะต้องแก่ไปเรื่อยๆมันจะต้องก่อนจะโรคไข้เจ็บก่อขึ้นอยู่แบบเรื่อยๆมากน้อยก็แล้วแต่เหตุปัจจัย นั่นแหะที่สุดมันกต้องถึงกับความตายไปคิดประเด็นเหล่า น, นี้นีกว่าคัญกว่าเพราะประเด็นตอนนี้มันทําให้ใจเราทุกข์หลาเลื่อนหลายเดือนไปดูไปมันก็ไม่ได้ทําให้เราทุกข์กอไม่ทุกข์นั่อยากไปเสียเวลาดูดูเรื่องที่มันไม่เป็นประเด็นไม่เป็นไม่เป็นการดับความทุกข์ไปศึกษาเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ก็ดับความทุกข์จากเรื่องนั้นให้ได้จะดีกว่า การตักบาตเราควรจะยืนหรือนั่งครับก็แล้วแต่สภาวะของคนน่ะคนใส่บาตรบางคนแก่นั่งยืนไม่ได้ก็ต้องนั่งได้ทั้งนั้นนะคือไม่มีข้อกําหนดตายแต่ว่าจะต้อ ง, งอยืนหรือต้องนั่งแล้วแต่ความเหมาะสมก็แล้วกันอยู่ในที่บางแห่งมันอาจจะไม่เหมาะสมที่จะยืนบางจะต้องนั่งบางทีชาวอิสานนี่เวลาเขาใส่บาตเขาจะนั่งกันแต่หมายที่อยู่วัดปา่าบรรานี่ยไปบินบาตรย้ายืนมเพราะย่อม นั่นก็เอาไม้หยิบข้าวเหนียวใส่บาตรนะครับนั่งุกเก่าครับแต่ก็ไม่บางรายก็ยืนก็มีมันไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีกําหนดตายตัวได้ทั้งนั้นยืนก็ได้นั่นก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมในช่วงนั้นพระอาจารย์ก็ต้องฉันข้าวเหนียวด้วยนะครับก็ต้องฉันพ้าวเนียตอนนั้นก่อนจะไปก็ทําใจไว้น่ะด้วยการฝึก คุกข้าวหมดเลตอนที่อยู่บนใหม่ๆที่ัดเมอวานนี้ก็เอาข้าวที่เราได้มาันคุกมันไปเลยข้าวของหวานของข้าวคุกมันเข้าไปเลยเป็นอาหารจานเดียวถ้าทํานี้ได้แล้วพอไปอยู่วัดป่ามันตัดสบายเพราะที่มันตัดเขาก็ไม่ให้เราจัดบานรเองอาหารของเรานี่เราตังเลือกถ่ายบาตรของเราเองไม่ได้พระท่านหดวงตาท่านนับมาแล้วท่านตักใส่บาตรท่านแล้วท่านก็ให้พระเอาไปตักใส่บาตรคนละทับพีทับปีทับปีไ แล้ว็จะไปทาอาจจะนิ่ไหนก็ใส่เข้าไปปนกันหมดไปครับปนกันหมดเลยเวลาก่บจะมหนามอาหารสิ่งที่สิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวก็คือเอาข้าวเหนียวที่เราได้มาป้นนก้อนก้อนกลมๆเหมือนลูกลูกตะก้อเล็กยใส่ไปในบาทรแลส่วนอาหารนี่ก็จะพระเนรจะมาช่วยกันตักใส่ให้คนละทัพผีทัพผีแบ่งกันไป กินแบบไม่อร่อยเลยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีอร่อยกินมื้อเดียวมัอร่อยนะแปลกมันดีก็ไม่กินอ่ะครับว่ามันเหิวหิวมากๆอะไรก็อร่อยเลยหมดข้าคุกถ้าคุกน้าปลาก็อร่อยข้าวปล่าคุกน้าปลาก็อร่อยคุณพัลวัตรคอมเมนต์บอกว่าลูกจะนําไปปฏิบัติบ่อยๆในข้อธรรยอมหยุดเย็นเหมือนได้รับยา สยบตัวความโลภกดหลงอย่างสิ้นเชิงปิดประตูเรื่องที่เศร้าหมองได้ดีครับนี่ากอนุมโมทนาขอให้ลองทดลองดูเราจะชอบใจเป็นธรรมโอษถนักษาใจไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอัจจริยะครับการกลัวสัตว์เลือ้อยคานไม่กล้าไปวัดที่ปฏิบัติธรมรมควรเผชิญกับความกลัวอย่างไรครับกลัวทั้งกิ้งกือที่วัดด้วยครับ ก็ในปกติถ้าเราเจออะไรที่น่ากลัวเราก็ทําใจให้นิ่งๆเฉยๆไปเค่นี้เขาก็ไม่มาทําร้ายเราใจเราพอเรานึ่งใจก็จะหายกลัวความกลัวเกิดจากความคิดปุ่มแต่งพอเราสามารถหยุดความคิดปุ่มแต่งได้ความกลัวก็จะหายไปนี่คือขั้นสติใช้สติยับยั้งความคิดเวลาเจอสิ่งที่เรากลัวท่านปัญญาก็พิจารณาว่ากลัว ย, ยังไงถ้ามันถึงเวลาจะตายมันก็ตายทั้งนั้น่ะ เวลาถ้าจะตายมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้ถ้ายามตายได้มันก็จะหายกลัวมีงบน้อยครับถวายผงซักฟอกยาสีฟันยาพาราสบู่สก๊อตไบรซ์ซันไลท์แล้วใส่ถุงหูหิว้วทําเป็นสังกทานอย่างนี้ได้ไหมครับได้ถวายข้าวทัพพีหนึ่งก็ได้สมัยพุธกาลนี้มีบางคนก็ถวยต่างบาทได้แค่ข้าวทัพพีเดียวก็มี เรื่องของศรัทธานี้ไม่มีกำหนดไม่มียาบังคับว่าจะต้องถวายมากถวายน้อยคนที่ตายแล้วฟื้นแล้วพบว่าไปเจอสิ่งที่เคยทำบุญใส่บาตไปอยากจะกราบขอคำอธิบายจากพระอาจารย์ครับไม่ทราบเหมกันนะ น, นี่ไม่ทรางจะอธิบายยนะังไงมันก็ถ้ามีเห็นมีปัจจยัยให้เจอมันก็เจอได้เอาอย่างนี้ อาจารย์ครับเคยมีฝรั่งเขารวบรวมงานวิจัยแล้วเขาบอกว่าคนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยพวกนั้นจะเห็นก็เรียกว่าไลฟ์รีลานนะครับอาจารย์อย่างนี้มีความน่าจะเป็นไปได้อยู่ไหครับเขาเหมือนเขาเห็นจริก็เหมือนรักรชาติได้เป็นอย่างไรักรชาติได้ได้มากได้น้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับความจําของแต่ละคนคนใดที่มีความจําดีก็สามารถรับรสชาติได้ได้มากอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยรับรสได้นู้นกี่ร้อยกี่พันชาติ ท่านยาจะย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของการเกอยของท่านบอกไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอจุดเริ่มต้นทีมันไกลมากมันยาวมากครั บ, รบขออนุญาตถามครับคนที่เป็นอัลไซเมอร์ตายไปวิญญาณจะขาดสัญญาขันไหมครับไม่ขาดหรอกวิญญาณนี้ก็คือตัวจิตนี่แะตัวจิตที่เป็นท่านรุน่นี้เวลาร่างกายตายไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อจาก จิตใจมาเป็นเป็นดวงวิญญาณแล้วในดวงวิญญาณนี้ก็มีนามอาคารสี่อยู่กับใจอยู่กับดวงวิญญาณนี้ไปด้วยกันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ติดไปกับใจที่เป็นดวงวิญญาณนี่เป็นท่านรู้แต่ว่ามันมันก็มันอาจจะไม่บางบางส่วนอาจจะไม่ได้ทํางานเช่นวิญญาณขาคารอาจจะไม่ได้ทํางานเพราะช่วงนั้นไม่มีรูปเสียงกลิ่นรส ไม่มีตาหูจมูกนิ้วกายไปรับรื่มาก็เหลือแต่เวทนาสัญญาสังขารที่อยากจะทํางานได้เวทนาสัญญาสังขารก็เป็นปรุงแต่งให้เกิดเป็นเรื่องราวต่างๆอาศัยสัญญาคือความจําในอดีตถ้าเราไปทําสิ่งที่ดีนในอดีตมันก็จะมีเรื่องดีๆมาปรุงแต่งให้ให้ฝันดีขึ้นมาเราก็เรียกว่าสวรรค์เช่นเราไปทํามูลเยอะๆเะนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องที่ดีๆมาปรุงแต่งมันก็จะปรุงแต่งในเรื่องที่ ที่สุขที่สบายให้เราได้สัมผัสเปนฝันดีไหมถ้าเราไปทํำบาปเยอะๆไปฆ่าคนนั้นไปมีเรื่องราวแบบคนนี้คนนั้นมันก็จะมาปูแต่งเรื่องราวเหานี้มันก็กลายเป็นเรื่องที่ฝันร้ายไป <Okay. S 1> ก็อาศัยจากสัญญาสังขารเวทนาสามตัวขัญญาคือความจำนั่นสิเหตุการณ์ต่างๆที่เคยได้กระทํามาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตาม ถ้ดีเอามาปรุงแต่งก็จะเป็นความฝันที่ดีก็เรียกว่าสวรรค์ถ้าไม่ดีกอามาปรุงแต่งมันนึ่งที่ไม่ดีก็เรียกว่าอบายคุณจิตติมาครับบอกว่าเป็นคนที่นั่งสมาธิแล้วไม่นิ่งทําอย่างไรก็นั่งได้ไม่นานครับจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับต้องฝึกสติบ่อยๆฝึกทั้งวันเลยก่อนที่จะมานั่งเงยตาขึ้นมาก็เพียงแต่ท่องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆคอยปราบความคิด คอยปรามความคิดอย่าให้มันคิด ไ, ไม่เปื่อแทนที่มันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นนมาคิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธไปเพราพุทโธจะดึงให้จิตนี้อยู่ในปัจจุบันแลาวจะรับความคิดปุ่งแตกด้วยไม่ในตัวถ้าเรามีสติมากๆมีพุทโธ ม, มากมๆเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้อย่างง่ายได้ล้วดแล้ ว, วช่วงนี้ป่วยบ่อยมากครับท้อจิตและจิตตกครับพระอาจารย์ก็นี่ยนะพอเราเจอความ ความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราไม่ชอบเราก็เลยเกิดความท้อใจเพราะเราอยากจะให้ให้มันหา ย, หายอยากให้มันไม่ป่วยไม่เจ็บพอมันไม่เป็นไปตามอยากมันก็เลยท้อใจถ้าต่อไปถ้าเป็นบ่อยๆมันก็จะเกิดเป็นการซึมเศร้าขึนมาก็ได้เพราะาอยากได้นะแล้วไม่ได้ทำใจอยากก็จะเสียใจเศร้าใจเศร้า บ, บ่อยๆก็เลยกลายเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้อันนี้เราต้องแก้ด้วยการย อ, ยอมหยุนเย็น เราผิด่ันนี่ก็แก้ได้แก้โรคซึมเศร้าโรคท้อใจได้ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ก็อยู่กับมันไปทำเท่าที่เราทําได้อันนั้นที่เรายัางทําได้เราก็ทําไป <c oughs> หรือบางคนที่เขาแยกกับเราก็ได้คนที่แขนขาดไปข้างหนึงคว้าขาดไปข้างหนึ่ ง, าา ง, นงคนที่หูโดวตาบอดเขาไปอยู่ของเขาได้ทําไมเรามีต้องยแยกกับเขาทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ครับ <c oughs> มองโลกในทางทางทางแง่ดีบ้างมันก็มีทั้งงานไม่ดีและทางแง่ดี เปรียบเทียบกันอยู่เปรียบเทียบคนที่เขาแย่กับเราแล้วก็จะทําให้เรามีกําลังใจอย่าไปเปรียบเทียบว่าคนที่ก็ดีกับเราสมมูรณ์กับเราถ้าเขาสมมูรณ์กว่แล้วเราไม่สมมูรณ์เท่าเขาเราอยากจะสมบูรณเหมือนเขาเราก็ไม่ได้เราก็จะท้อใจแต่ถ้ามองว่าคนที่เขาแย่กว่าเราเรามีความสมบูรณ์มากกว่าเขาเราก็จะรู้สึกว่าให้เราก็ไม่เร็วนะเราก็เราก็ถ้าเขาอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ อยู่ไม่ได้ทําเลเซอยู่ให้อยู่กับเขาไม่ได้มีความสุขมากกว่าเขาไม่ได้ ท, ทั้งที่เขาก็ขาดในเขามีการขาดตกบกพร่อมากกว่าเราแบางทีเปรียบเทียบใครต้องมางแบบ น, นี้มันจะได้ทําให้เราเอไม่ไม่มีความทุกข์ จากนุมน้อยครับหลวงตาครับใส่บาตรทุกเช้าใส่เงินทุกวันแต่หลวงตาเก็บตังใส่กล่องไว้จ่ายค่าน้ําทุกเดือนและคุณยายไม่ได้ใส่ซองถวายหลวงพ่อครับถามว่าบาปไหมครับพ่อหลวงพ่อกําลังสร้างห้องน้ําอยู่ครับไม่บาปหรอการทำบุญทำบุญเพียงแต่ว่ามันมีขั้นตอนกละเบียบของการถวายเงให้กับพระเท่านั้เองถ้าจะถวายให้ถูกต้องก็รัต แ, แตวัดบางวัดท่านกอนุ ญ, ญาตให้พระรับเงินทองได้บางไว้ดเขาออต้องฝากลูกศิษย์ไว้ ก็ต้องารสไปเวลาที่นั่งสมาธิบนพื้นแบบมีพักพิงหลังรู้สึกสบายไม่เห็นเวทนาในขณะที่นั่งหลังตรงแบบไม่พิงมีอาการปวดหลังบ้างได้ดูเวทนาและสภาวะทางกายจริงๆแล้วควรนั่งแบบไหนดีครับคือถ้ามันสบายมันก็จะทำให้เราขาดสติได้ง่ายกว่าถ้ามันไม่สบายสติเราก็จะดีกว่า ดูพระพุทธรูปเป็นตัวอย่างของพุทูปไม่มีไม่มีที่พิงหลยไม่มีบอกไม่มีอะไรปฏิบัติธรรมกรรมฐานและแผ่บุญให้ลูกและเจ้ากรรมในเวรเทวดาจะได้รับผลบุญไหมครับบุญมันยังไม่เกิดเลยปัญหาเรื่องจานั่งสมาธินี้ไม่ใช่มันจะเกิดได้ง่ายๆสมาธิพุกนงสมาธินี่คือจิตรวมเป็นสมาธินี้มันถ้าจะอาจจะ ทั้งชีวิตถ้าเป็นคารว่าจะไม่มีวันที่จะสัมผัสกับความความสงบของจิตได้เลยอาจจะนั่งแล้วทำให้จิตเบาเ บ, บาหน่อยความฟุ้งซ่านน้อยลงไปหน่อยนะแต่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่สำเร็จยังไม่ยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นบุญได้เขาไม่นิยมคืออย่างน้อยในพระไตรปิฎกเท่าที่ได้ที่ได้ผ่านมาก็มี ม, มีมีการอุทิศบุญด้วยการทำทานนะที่ท่านสอนไว้ ทำบุญทำงา น, านใส่บาตมบุญมันเกิดขึ้นทันทีเลยการความเอ็มใจสุขใจเราก็สามารถแ บ, บ่งความสุขใจเอ็งใจนี้ให้กับผู้ร้องนะไปแล้วได้ขต่นสมาธิก็ไปต้องนานมันก็ยังไม่มีความเอ็มใจสุขใจเพราะมันยังไม่รวมจิตยังไม่รวมก็ไม่รู้จะอะไรไปไปอุทิศนะคุณมาริสาครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนเป็นทุกข์ แต่ทำไมคนเราถึงไม่รู้สึกว่าทุกข์กับมันครับอาจารย์ที่มันรู้ตอนที่มันสายไปแล้วไงตอนนี้น้องห่มน้องให้วเวลาถึงยังรืมว่าทุกข์แล้วก็ลืมทันทีพอมันหายไปก็ลืมทันทีไม่คิดถึงมันอีกมองแต่ความสุขอย่างเดียวมันก็เลยมองไม่เห็นทุกข์ยิงต้องคอยเตือนพระเจ้าเตือนว่าให้ใหใหทุกข์เราต้องศึกษาต้องเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆด้วยการคิดถึงสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ก็คือความแก่ความเจ็บความตาย การพัดทากจากสิ่งที่เรารักการจัดกระชิญกับสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นต้นถ้าคิดถึงเื่องราเนี้มันก็จะเห็นว่ามันทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่เราพยายามปัดมันออกไปจากใจเราไม่มีใครอยากจะคิดถึงความแก่ไม่มีใครอยากจะคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากจะคิดถึงความตายมันก็เลยมันก็ไม่มีทุกข์ความจริงทุกข์มันเรเราอยู่ตลอดเวลาแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีทุกข์เรื่องเรื่องกับ การเจอสิ่งที่เราไม่ชอบนี่ก็เป็นก็เป็นทุกข์แล้วเจออากาศ ร, ร้อนขึ้นมาก็ทุกข์แล้วเจออากาศหนาวเกินไปก็ทุกข์แล้วมันทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าไม่มองมันเท้ไม่คิดว่าเป็นทุกข์คิดไม่เป็นคนที่สวดมนต์ทุกวันแล้วทําไมอารมณ์ร้อนครับปะบางบอกก็ไม่ได้ตอนนี้ปล่อยให้เหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นยิ่งทําให้เขาโกรธมากขึ้นทําอย่างไรดีครับ หนึ่งเวลาสวดอาจะสวดแบบใจลอยก็ได้สวดแล้วใจไม่เน่งไม่ใจไม่สงบสวดไปคิดไปอย่างนี้ก็มีสวดไปเพื่อทํำทําภารกิจให้มันเสร็จเสร็จไปอะต้องสวดวันละห้านาทีสิบนาทีก็สวดสวนลยไปสวดไปใจก็ยังาจจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ได้ถ้าสวดแบบนี้ก็จะไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาแล้วข้อที่สองถ้าสวดแบบมีความสงบมันก็จะสงบแต่เฉพาะเวลาที่เราสวด ถ้าเราอยาสมาธิมาถ้าเราไม่เจริญสติต่อคอยควบคุมความคิดต่อใจมันก็จะร้อนขึ้นมาได้ทันทีเวลาเจอเหตุกาเจอสิ่งที่มันไม่ชอบขึ้นมามันก็จะร้อนขึ้นมาได้เห็นไหมนี่หมายความว่าคนที่สวดบนนั้นใ จ, จยเย็นตลอดเวลาใจยเย็นเฉพาะเวลาที่ได้สวดเท่นั้นคนที่ระลึกชาติได้เกิดจากอะไรครับอาจารย์ความจําดีความจําดี ทำงานเกี่ยวกับการเงินการคลังครับและพัสดุมีแต่คนไม่ชอบครับเพราะว่ายึดระเบียบไม่ยอมตามใจใครไปเรื่อยตอนนี้ทำใจแยกความชอบไม่ชอบออกจากการทำงานทำแบบนี้เข้าขายไม่ยอมไหมครับไม่ยอมไม่ถึงไม่ยอมอะไรไม่ก็เราตอทำหน้าที่ของเราบ้างที่บอกวยอมหยุดเย็นอย่างครับอาจารย์ในเข้าขายไม่อมเลยไม่ยอมเลยไม่ยอมให้ ไม่เข้าใจกันว่าไม่ยอมนี่หมายถึงมีความอยากอะไรกรือเปล่ที่เราไม่ยอมก็เราทําหน้าที่ของเราไปส่วนเขาจะชอบไม่ชอบนี่มันก็เป็นเรื่องของเขาไปเขาเรียนี่คือความยอมก็เราแล้วก็ทําของเขาไปเรายอมให้เขาไม่พอใจเขาไม่เจะพอใจหรือไม่พอใจก็เรื่องของเขาอันนี้ก็แสดงว่าเรายอมถ้าเราไม่ทุกข์กับเขาแสดงว่าเรายอม แต่ถ้าเราทุกข์กัา้านันแสดงเราไม่ยอมเราไม่ยอมให้เขามาโกรธเราเกลียดเราเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรายอมให้เขาโกรธเกลียดเราเราก็ทําหน้าที่ของเราไปเราไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับความโกรธเกลียดของเขานี่แสดงว่าเรายอมยอมให้เขาโกรธเราเกลียดเราร่างทรงดูวิญญาณได้เป็นเรื่องจริงไหมครับแต่ร่างทรงพูดถึงการแต่งกายคนที่ตายไปได้อย่างถูกต้องเลยครับอาจารย์ ก็คนบางคนต้องมีอภิญยามีความสามารถพิเศษสามารถที่จะเห็นกายทิศได้บอกสามีปล่อยวางตั้งสติพาท่องพุทโธจนสามีสิ้นลมสามีจะไปสบายใช่ไหมครับก็อยู่กับบุญกับบาปที่เขาทําไว้ว่าอันไหนมีมากกว่ากันถ้าบุญมากกว่าบาปก็จะไปสบายถ้าบาปมีมากกว่า บ, บุญก็จะไป ไม่สบายมันไม่ได้อยู่การตายช่วงตายว่าตายสงบแล้วไม่ตายสงบมันอยู่ที่บุญที่เราได้สะสมไว้กับบาป ท, ที่เราสะสมไว้ในใจเราว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่ากันหลวงตาครับใส่บาททุกเชา้าใส่เงินทุกวันแต่หลวงตาเก็บตังค์ใส่กล่องไว้จ่ายเอาอกมาถามไปแล้วนะครับ mm hmm. เปลี่ยนอืปรไฟล์ hmm. การท่องปาติโมกได้จะปิดประตูอบายได้ไหมครับเห็นคนเคยพูดกันครับคือการท่องปาโมกนี่จะได้สติแล้วก็ได้ความสงบในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สงบแบบเต็มร้อยเป็นเรื่องของขั้นของการภาวนาเึ่งการภาวนานี่ก็มันก็จะดิงใจให้ไปพรมโลกแล้วมันไม่มันไม่ได้ปล่อยให้ใจไปตกไปแลบาย คนที่จะย า, าบาลนี้ก็คือคนที่ทําผิดศีลซึ่งการสวยไปในโลกนี้ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปทําผิดศีลได้เวลาไม่ได้สวยก็อาจจะไม่มีสติขึ้นมาก็ได้แล้วอาจจะไปทําผิดผิดศีลก็ได้เหมือนกันดังการที่จะไม่ไปเกิดในบาปได้ต้องเป็นขั้นพระอริยบุคคลที่มีปัญญาเห็นว่าการกระทําบาปนี้เป็นตัวที่พาให้ไปเกิดในบาปเราจะไม่กล้าทําบาปโดยเด็ดขาดต้องเห็นด้วยปัญญา มีดวงตาเห็นธรรมแต่าการมีสติมีสมาธินี้ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมยังไม่เห็นกฎเห็นกรรมขอให้พระอาจารย์อธิบายจิตผู้จิตผู้รู้และจิตผู้ถูกรู้และยกตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้นครับทั้งสองอย่างเป็นจิตดวงเดียวกันใช่ไหมครับรู้สึกว่าจิตไวมากมากครับคือจิตนี้มันเป็นธรรมชาติที่มีความสามารถที่จะรู้ แล้วสิ่งที่มันเราก็คือรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รู้ความรู้สึกนึกคิดรู้ว่าสุขหรือทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็รู้ความคิดผงแตกรู้ความจําได้รู้ว่าจําจําจําเรื่องเมื่อวานนี้ได้จําเรื่องสิบวันก่อนได้ความจํานี่คือความสามารถของจิตจะร่้งลกอะไรเหล่านี้แล้วเวลานั่งสมาธิ การทํา ง, งานของเวทนาสัญญาสังขารก็หยุดทํา ง, งานชั่วคราวก็เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวการรู้อย่างเงี้ยก็รู้ตัวรู้ไปตัวรู้รู้ตัว ร, รู้ว่ามีแต่ตัวรู้อยู่ตัวคิดตัวรู้สึกนี้หยุดทํา ง, งานไม่ชั่วคราวนี่ที่เขามาพูดกันมารู้จิตแล้วเห็นเห็นจิตนี่เราก็ไม่เจ้าก็มีความหมายอยู่ไหมอธิบายได้เท่านี้แล้วนะ ครับเพาะคงยัเข้าใจถวายของสังฆทานตอนที่ใส่บาตรเลยได้ไหมครับไ ด, ได้นั้แล้วแต่แล้วแต่ว่าพระมีใครมาช่วยรับไปหรือเปล่าถ้าท่านมาองเดียวแล้วถวายของนั่นก็เอาไปไม่ได้นอกจากว่าโยมมาทร า, าไปส่งที่วัดให้ถวายท่านเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะคับรถตามไปส่งที่วัดก็ได้ เดินออกกำลังกายพุทโทตามก้าวเดินใจอยู่ที่เท้าเดินถูกหรือไม่ครับขอคำแนะนำครับอาจารย์ใจก็ต้องดูเท้าด้วยเพราะราอาจจะน่าจะเหยียบอะไรขึ้นมาก็ได้ต้องดูดูเท้าเป็นหลักก่อนแล้วก็เราจะใช้คำวิธีการพุทโทช่วยดึงใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆด้วยก็ได้พี่ชายเสียสติมานานและเสียชีวิตตอนอายุหกสิบครับไม่ได้ทาบุญไว เป็นน้องเราจะทําบุญอุทิศให้พี่จะได้รับไหมครับก็ขึ้น อ, อยู่กับว่าเขามารอรับหรือเปล่าประธานในจิตของเขาถ้าก็มีบุญพอที่ไม่ต้องมารอรับเขาก็ไม่มารอรับถ้าเราก็ไม่มีบุญพอเขาอยากจะเขาต้องการบุญก็ก็อาจจะมารอรับจากน้อง ก, ก็ได้เป็นคนฟุ้งซ่านมากครับตอนหลับเหมือนหลับไม่สนิทยังมีความฟุ้งซ่านติดไปตอนหลับด้วยควรจะปฏิบัติอย่างไรครับ ก็มีสติน้อยไม่มีการควบคุมควบคอยควบคุมความคิดเลยปล่อยให้คิดตันตามกําลังมันก็เลยทําให้เกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาต้องมุม่พยายามฝึกสติบ่อยๆเพื่อลดความคิดให้มันน้อยลงไปคิดเท่าที่จําเป็นถ้าไม่มีเรื่องจําเป็นจะต้องคิดแล้วมันคิดเรื่อยๆก็ใช้พุโทโธหยุดมันบริกรรพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลา นอนหลับนี่มันจะไม่ค่อยฝันอะไรเท่าไหร่กระดูกทับเส้นครับนั่งสมาธินานไม่ได้จิตไปเพ่งกับจุดที่ปวดต้องแก้อย่างไรครับก็ลองนอนสมาธิเดูแล้วกันไม่ยืนสมาธิก็ได้หรือเดินโยกเดินสมาธิก็ได้การนั่งการการการทำสมาธินี่คือการมีสติควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ เรียกวกรรมฐานโซนียาบทนี้สามารถทำได้ในทั้งสี่ียาบทเดินแล้วก็สามารถเดินสมาธิได้เดินไปก็ดูเท้าไปใช้เท้าเป็นอารมณ์ไปก็ได้ยืนจะเดินยืนก็ดูลมหายใจเข้าอก็ได้หรือจะบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ถ้าเราใช้คํากรรมพุทโธนี้เราสามารถทําได้ในทั้งสี่ียาบทนอนแล้วก็พุทโธได้ยืนแล้วก็พุทโธได้เดินแล้วก็พุทโธได้ นั่งแล้วก็พูดโชว์ได้ตั้งใจว่าหลังจากออกจากงานแล้วอยากจะปฏิบัติให้เห็นธรรมะมากขึ้นขอคําแนะนำพระอาจารย์ว่าควรเริ่มต้นอย่างไรเมื่อชีวิตมีอิสระหลังจากออกจากงานครับเครื่ก็คำนดเวลาของการปฏิบัติใช่ไหมวันหนึ่งเราจะนั่งกี่ชั่วโมงเราจะศึกษาธรรมะกี่ชั่วโมงเป็นต้นแล้วเราสร้างทําเป็นตารางไว้ พอถึองเวลาก็เหมือนกับเราไปโรงเรียนเนี่ยโ <c> ร <oughs> งเรียนก็จะมีค่าให้เราเรียนวิชาต่างๆชั่วโมงนี้เรียนคณิตศาสตร์ชั่วโมงหน้าเรียนวิทยาศาสตร์ชั่วโมงต่อไปเรียนศิลปกศาสตร์เราก็า้องกําหนดตารางของการปฏิบัติของเราชั่วโมงนี้นั่งสมาธิชั่วโมงหน้าเรียนจงกรมชั่วโมงถัดไปอ่านหนังสือธรรมะอะไรก็ว่าไป พระอาจารย์ครับแล้วตอนพระอาจารย์หัดนี้มีตารางไหมครับครับก็มีก็พอเต็มเ่ยงแล้วก็นั่งสมาธินะนัแล้วก็แล้วก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วก็สลับกับการอ่านหนังสือธรรมะเพื่อจะไม่มีตารางตายตัวแต่จะวางข้าวให้มันทํำกิจเหล่านี้อยู่ทั้งวันเดินบ้างนั่งบ้างอ่านหนังสือบ้างทั้งนี้สามอย่างนี้เป็นหลัแล้วเวลาทําภารกิจอย่างอื่นเช่นป่าบ้านถืูบ้านก็ให้มีสติอยู่กับการ งานการงานที่เราทําไปเป้าหมายคือคอยสกัดกั้นความคิดเพราะความคิดถ้าปล่อยให้คิดไปทางกิเลสเมื่อไหร่ใจจะร้อนขึ้นมาทันทีเรารู้ภัยรู้ภัยแล้วว่ามันเกิดจากอะไรความคิดความทุกข์ของเราเกิดจากความคิดที่คิดไปตามกิเลสคิดไปตามความอยากต่างๆอยากได้นู่นอยากได้นีน่อยากไปนู่นอยากมานี่ใจมันร้อนขึ้นมาทันทีก็ต้องคอยสกัดมันคอยห้ามมันไม่ให้มันคิด นั่งสมาธิแล้วลมหายใจละเอียดตัวเบาเห็นร่างกายกาลังหายใจแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างนี้ทำถูกต้องไหมครับกณจะอยู่กับลมหายใจเพียงอย่ายอย่าไปอย่า ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไปเห็นอย่างนื่นถึงว่าจะมีอะไรให้เห็นก็อย่าไปตามเห็นให้กลับมาที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวจิตจะได้นิ่งได้สงบได้เต็มที่ ถ้าเราไปฟังสารขอความเป็นธรรมที่ถูกผู้บริหารบริษัทให้เราออกจากงานก่อนกเกษียณอายุงานเราจะบาปหรือผิดศีลห้าไหมครับไม่ผิดนี่็สารก็เป็นที่ให้เป็นที่จัดที่ช่วยพิจารนาว่าใครผิดใครถูกเมื่อเราไม่สามารถต่อกกันได้เราก็ให้คฎกางเขา้าเป็นผู้มาตัดสินให้กับเราเท่านั้น การมีจิตใจที่อยากจะช่วยคนก็เป็นบุญใหญ่หลวงทํางานช่วยชาติด้วยอย่างมีคิดถูกไหมครับอาจารย์ถูกก็เป็นกวามตัานีนึกเป็นความเมตตาเห็นใครเขทุกข์ยากเดือดร้อนก็อยากจะช่วยเหลือเขานี่ก็เป็นความเมตตาแต่ยังไม่ได้ทําความอยากจะทํายังไม่ได้ทำํำต้องทําด้วยต้องไปช่วยเหลือเขาเวลามีเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือเราก็ไปลงม้านองมาทำกันนี้ถึงจะได้ประโยชน์ถึงจะได้ผล ถ้าคนที่มีผลงานไม่ดีแล้วได้รับการประเมินผลไม่ดีส่งผลให้อาจจะสิ้นสุดการรับการจ้างงานได้อย่างนี้ผู้ประเมินบาปไหมครับถ้าเป็นความจริงก็ไม่บาปถ้าไม่เป็นความจริงไปกันแก้เขาเขาดีแต่ไบอกประเมินแลาไม่ดีอย่างบาปเพราะประเมินความจริงเหมือนกับโกหกหลอกลวง แม่เสียแล้วเราใส่บาทให้แม่และเรียกญาติที่เสียชีวิตมารับบุญแม่จะได้บุญไหมครับก็จะถ้าไปเรียกคนแล้วแต่เราจะเรียกใครถ้าไม่เรียกแม่แม่ก็จะไม่ได้รับบุญถ้าอยากให้แม่ได้รับบุญก็จะบอกว่าขอที่บุญให้คุณแม่ด้วยให้คุณญาติคนปู่คุณตาด้วยอย่างเงี้ยทุกคนที่เรากล่าวถึงเขาก็จะมารับบุญของเราได้ถ้าเขานอนรับอยู่นะ ถ้าเขาเป็นเทวดาเขาห้อยมารอรับเขาเพราะเพราะว่เาเขาเป็นเศรษฐีบุญเขามีบุญพอที่ไม่ไม่ต้องมาเป็นขอทานอยากสอบถามว่าเมื่อจิตเริ่มเข้าฌานสามเกือบเข้าฌานสีได้ไปยังไงต่อดีครับจิตทรงฌานตลอดวันอยู่ได้บางครั้งมีเห็นอนาคตล่วงหน้าในฝันหลายหลๆครั้งครับก็อยู่กรรมฐานอยู่กับอารมณ์ที่เราผูกใจไว้ ถ้าอยู่กับลมก็อยู่กับลมไปเรื่อยๆถ้าอยู่กับคำวักรรมก็วักรรมไปเรื่อยๆทั้งนี้มันจะพาเเข้าไปสู่ฌานขั้นต่างๆโดยอัตโนมัติตักบาทผ่านทางลายได้บุญไหมครับซื้อของแล้วพ่อค้าไลฟยสดใส่บาทให้ให้ดูครับอาจารย์ได้ได้ฟังธรรมะพระอาจารย์มีสติรู้ตัวมากขึ้นตามอารมณ์เร็ว เผลอหลับตอนขับรถเลือดออกสมองแขนหักตอนเกิดเหตุไม่กลัวตายแต่จิตเป็นห่วงลูกยังเล็กต้องไปทํางานช่วยเลี้ยงลูกนอกจากนั้นจะสนใจเรื่องสติและภาวนาครับก็นีเรื่องของลูกก็ต้องทําใจว่าไม่มีอะไรแน่นอนเราจะต้องพัดพากจากกันไม่ช้าก็เลยวันใดวันหนึ่งเราจะไปก่อนเขาก็าอาจจะไปก่อนเราก็ได้มันเป็นเรื่องสุดวิสัย มอมันเกิดขึ้นเราก็ทำอะไรไม่ได้ต้องทำใจเวลาปฏิบัติทั้งวันมีอาการง่วงบ้างแต่พอนั่งเล่น facebook ทั้งวันไม่ง่วงเลยครับอาจารย์เป็นก้ออะไรครับเพราะว่าทำมันเป็นสิ่งที่ปลอมใจให้สงบไงพอมันมันไม่ไม่มีเรื่องที่กระทึกคุกคมกระตุ้นใจเหมือนกับการที่เราดู facebook. Facebook, เฟซบุ o กเพซมันมีเรื่องราวรูปเสียงแล้ตที่มากระตุ้นใจเรา มันก็จะทำให้เราไม่ง่วงมันคนนั่งเล่นยในเล่นกันได้ทั้งคืนไม่ง่วงวายคนนั่งสวดมนต์เที่ยวกับเท้าแบบเดียว <c oughs> เราสามารถจะรับศีลแปดและลาศีลแปดต่อหน้าพระพุทธรูปได้ไหมครับ <c oughs> ถ้าต้องการปฏิบัติเองที่บ้านไม่ไปวัดครับ <c oughs> ได้ไม่มีพระพุทธรูปก็ได้เพียงแต่ตั้งสัจจาที่ฐานก็ได้ ถ้าแม่สามีซื้อปูเป็นเมาให้เราทำอาหารซึ่งเราก็ไม่กล้าที่จะฆ่าปูแต่แม่สามีบอกมันเกิดมาให้เรากินอยู่แล้วเราจะบาปมากหรือไม่แต่ตอนทำอาหารก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้ไปครับก็บาปเนี่ถ้าฆ่าแล้วก็บาปก็บอกให้แม่เขาฆ่าแทนไม่ได้ถ้าแม่บอกเกิดมาเพื่อให้ให้เรากินแม่แม่แม่เป็นคนกินก็แม่ก็ช่วยฆ่าแม่ก็ฆ่ามันเลยใครทำก็บาปแล้วสั่งให้คนอื่นเขาทำก็บาปด้วย ทำเองก็ดีแล้วท้ก็เขาเลยก็ทําให้เราก็ดี mm hmm. ก็ถือว่าบาปเหมือนกัน อ, อ๋อบอกว่าตอนปฏิบัติคําถามต่อสักครู่นะครับแล้วบอกว่าเราจะแก้ง่วงได้อย่างไรดีครับเวลาปฏิบัติครับคือถ้ามันนั่งแล้วง่วงก็ลองร้องกระบาดเดวนถ้าเดินแล้วยังง่วงอยู่ก็อาจจะต้องลดการกินอาหารหน้อยลงหรือปฏิบัติช่วงที่เราหิวอย่าไปช่วงอย่าไป ปฏิบัติช่วงทเรากินหิมนะครับเราปฏิบัติก่อนช่วงที่เรากินเดือเราจะท้องว่างท้องเบามันก็จะไม่ง่วงออันนี้แล้วถ้ามีความสามารถไปเลือกที่ปฏิบัติได้ก็ไปหาที่ที่มันที่น่ากลัวหน่อยเช่นในปฏิบัติในป่าชา้าหรือไปปฏิบัติตามเมนเผาศพนี่ไปข้ามคนคืนไปปฏิบัติคนเดียวนี่รับประกันได้ยังไม่ง่วงครับ อาจารย์รู้จักคาว่าวัดสีตั้งห้าไหมครับมีคนถามว่าหมายถึงอะไรครับสีสีไม่ใช้่าเหมือนกันว่าสีนี้วัดสี่วัดสีส่ครับอาจารย์ไม่แน่ใจครับพยายามฝึกพุดโธพุดโธแต่ไปถึงที่ทํางานเจอคนหลุดตลอดทําได้ไม่ถึงวันครับขอแนวทางครับอาจารย์นั่ต้องฝึกบ่อยๆโดยเฉพาะช่วงที่เราอยู่คนเดียว แล้วมันจะได้มีกําลังมากขึ้นสมาธิมีสติคุมเข้าผวังได้ไหมครับก็ต้องเขา้าต้องต้องมีสติอย่างเงยเข้าผวังนะผวังสมาธิก็คือความนิ่งสง บ, บนี่เองถ้าไม่มีสติครับไม่สามารถเข้าผวังของสมาธิได้การเข้าผวังของหลับมากกว่า นั่งสมาธิไปไม่มีสติดเดี๋ยวบางทีก็เพ้อหลับได้เพ้อหลับได้นั่งภาวนาเกิดมีอาการเหมือนไม่มีร่างกายแต่รับรู้รอบตัวได้ปกติได้ยินเสียงจะต้องทําอย่างไรต่อไปครับอย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานของเราไปเรื่อยๆถ้าดูเราก็ดูลมต่อไปอ่าบริกรรมพุโทโธก็บริกรรมพุโทโธต่อไปจิตยังไม่สงบเต็มที่ ถ้าระบบเต็มที่ถ้าบางทีก็จะว่างไม่มีอะไรอยู่แล้วอยู่เลยคุณชัยบอกว่าเพิ่งนั่งสมาธิมาหลายชั่วโมงจนผ่านความเจ็บปวดหัวเขาอย่างรุนแรงจนจิตสงบว่างมีความสุขหากลับมานั่งใหม่จะต้องผ่านความเจ็บปวดอย่างรุนแรงอย่างนี้อีกไหมครับก็ลองดูก็ได้กัน ลูกแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่ที่ล่วงรับไปแล้วเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่จะได้รับหรือไม่ครับ ก, ก็อยู่กับเขาเขามารอรับหรือเปล่าแมววิ่งพุ่งใส่รถไม่สามารถจะเบรกได้ทันน่าจะทําร้ายน้องไม่รู้ว่าน้องตายหรือจะบาดเจ็บมากแค่ไหนส่วนตัวเป็นคนกลัวแมวมากตอนเกิดเหตุจึงไม่กล้าที่จะทําอะไรไม่กล้าจอดรถ หรือมองว่าน้องจะเป็นยังไงเพราะกลัวมากก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็ว ม, มากเหตุเกิดที่ถนนใหญ่ตอนดึกไม่ได้ขับรถเลยเร็วนะครับไม่เกินหกสิบรู้สึกไม่ดีแต่เนครั้งแรกในชีวิตที่เจอเรื่องแบบนี้ครับก็คือเราไม่ได้ตั้งใจคงไม่ปิดสีนใช่ไหมครับไม่ผิดถ้าไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจ <c oughs> เป็นเรื่องเหตุสุวิสัยแล้ว่าเป็นอุบัติเหตุไป <c oughs> บางครั้งขณะอาบน้ําใจอยากพุโทโธหรือสวดมนต์เหมาะควรไหมครับมีคนทักท้วงว่าห้องน้ําเป็นที่ที่ไม่เหมาะที่จะภาวนาสวดมนต์ครับถ้าเราสวดมนต์ภาวนาเพิ่มแบบการปฏิบัติก็ทําได้ทุกในเรียบทในทุกในสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเส่นถ้าเราบริกรรมพุโทโธอยู่ในใจนี้เพื่อควบคุมสติเพื่อให้จิตไม่ลอยไปกับความคิดต่างๆเราสามารถทําได้ทุกที่เลยไม่ว่าจะอยู่ในห้องน้ําหรือไม่ก็ตาม ลูกสามารถที่จะจับสำรับอาหารตั้งไว้หน้ารูปคุณแม่ที่เสียชีวิตได้ไหมครับท่านเสียชีวิตไปสองปีครับได้แต่ท่านจะรับท่านจะกินไม่ได้ตั้งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องเอามากินเองอยู่ดีใช่ให้แม่ได้รับก็อาหารนี้ไปไปบริจาคไปใส่บาตรเนืเ้อไปเป็นบุญไปเปลี่ยนเป็นบุญแล้วเราสามารถส่งบุญไปให้กับผู้ที่อยู่ในโลกทิพได้ถ้าเขารอรับอยู่ ขออนุญาตเรียนถามครับพิจารณาอยู่เนืองๆว่าสิ่งที่มากระทบกับจิตทําให้จิตเราแกว่งใช้สติควบคุมมันไม่ให้ตามมันไปปล่อยไปช่างหัวมันท่านพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับก็ถ้าปล่อยมันได้ก็ดีเราควบคุมมันคมันไม่ได้มันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปอย่าไปมีความอยากกับมันแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน พระอรหันต์ที่นิพพานแล้วจิตที่ปราศจากกิเลสจะเข้านิพพานโดยไม่มีเจตสิก ต, ติดไปด้วยใช่ไหมครับคือพระอรหนันต์ท่านเข้านิพพานันแต่ท่านยังไม่ตายนะคือจิตท่านเป็นจิตที่สะอาดบริบสุดไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากเท่านั้นเองแต่เจตสิกคืออารมณ์ต่างๆก็ยังมีอยู่ได้ความรู้สึกนึกคิดก็ยังมีอยู่ได้เพยียงแต่ท่านไม่มีความโลภความโกรธความหลง ก, กับสิ่งต่างๆที่ ท่านไปนสัมผันธ์รับรู้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในหรืออยู่ภายนอกก็ตามให้เข้าใจาว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นไตายรักให้มันอะไรไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันแต่ก็รับรู้รับรู้เวลามันโผล่ขึ้นมาก็รับรู้ไปเท่านั้นเองไ ม, ไม่ไม่ได้มาเขาะจะต้องรอให้ท่านตายไปก่อนแล้วถึงจะเข้าเข้านิพพานจิตเทนเข้านิพพานนั้นแต่วันที่ท่านละสังโยชนิประการได้ก็เป็นผ้าหลอาานขึ้นมาแล้วก็เป็นนิพพานขึ้นมาแล้ว ทำสมาธิแล้วรู้สึกตัวค่อยๆหายไปเหลือแต่ดวงหน้าและสุดท้ายหน้าก็หายไปปฏิบัติอย่างไรต่อครับอย่างนี้ทําถูกไหมครับไม่ควรจะไปดูหน้าดูความรู้สึกเหล่านี้นควรจะอยู่กับพุโทโธรของลมหายใจส่วนการณ์ต่ตางๆมันจะมาปรากฏขึ้นก็ไม่ต้องไปสนใจไปรับรู้อวิชชาใช้การละสังโยชิสิบ โมหะใช้วิปัสสนาตันหาใช้มรรคแปดกิเลสใช้ทานสินภาวนากิเลสตันหาโมหาวิชาใช่ไหมครับกิเลสนี้ตันหาโมหาวิชานี้เป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดใช้การภาวนาใช้ศินสมาธิใช้ทานสินภาวนาเป็นเครื่องกําจัดนั่นถ้าหัวหน้าสั่งงานให้ทําแบบไม่ถูกต้อง ใจไม่อยากทำเลยแต่เลี่ยงไม่ได้ครับอย่างนี้ถือว่าผิดสีไหมครับเช่นให้แจ้งเท็ดครับก็ผิดนะได้ยินเสียงแล้วง่าแล้วก็ปฏิบัต บนบควรใช่ไควรได้นะได้ <Okay. S 2> เอานั่งสมาธิฟังธรรมไปด้วยได้ไหมครับหรือว่าควรจะ น, นเงียบๆดีกว่าครับถ้านั่งสมาธิก็ไม่ต้องฟังธรรมแต่นอกจากว่าถ้าจะใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์ก็ฟังได้แต่เราไม่ถ้าถานั่งฟังธรรมเราก็ไม่ต้องใช้พุทธองใช้เสียงธรรมเป็นอารามณ์ทำใกล่องใจให้เข้าสู่สมาธิได้เหมือนกันแต่อาจจะได้ไม่ลึก เหมือนกับการใช้บริกรรมพุโทโธเลยเหมือนกับการดูลงหายใจเข้าสวดมนต์กับนั่งสมาธิอะไรดีกว่ากันครับสวดมนต์นี่เป็ น, นการฝึกสมาธขิขั้นต้นตอนที่จิตเราคิดมากเรายังไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิได้เราก็สวดมนต์ไปก่อนกล่อมใจให้สงบลงในหายฟุ้งซ่านก่อนแล้วเรค่อยมานั่งสมาธิต่อ รู้ครับว่าการเกิดมาต้องมีการพัดพลาดจากกันไม่ช้าก็เร็วต้องฝึกจิตหรือจะวางใจอย่างไรเพื่อไม่ให้มีความทุกข์ครับก็หันอยู่จะแยกกันอยู่บ้างแต่ยัอยู่ด้วยกันเช่นเราไปอยู่ต่างจังหวัดทั้งเดือนยางไงไม่เจอกันบ้างไม่ติดต่อกันเลยเป็นต้นนะซ้อมมัไว้ก่อนไงซ้อมตอนเป็นไว้ก่อนพ อ, อถึงเวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราก็จะชินกับการพัดพลาดจากกัน เราก็จะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับครับสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันอยากจะเลิกยานอนหลับครับอาจารย์ได้แต่ต้องสวดแบบมีสติแล้วสวดสวดจนกว่าจะหลับนะใหม่ๆมันจะมันจะยากแต่ถ้าาฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะง่ายถ้ามีสติดีๆบางทีสวดมนต์ไปแค่นาทีเดียวก็หลับแล้วก็มี ผมนั่งสมาธิร่างกายลอยขึ้นมาเหมือนบนท้องฟ้าร่างกายหมุนจนใจจะขาดเพราะว่าตะเพราะว่าตายก็ตายจิตก็เกิดสมาธินิ่งว่างเย็นสบายเหมือนลมพัดร่างแสดงว่าผมปฏิบัติถูกทางไหมครับคือมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวเป็นมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทุกครั้งไปวิธีนั่งที่จะทำให้มันสม่ำเสมอก็คือการนั่งแบบมี กรรมฐ า, านมีสติอยู่กับอารมณ์ผูกใจไว้ช่วยการนัง่งนั่งแบบที่เล่ามานี้มันก็ไม่เศร้ามันจะเกิดขึ้นทุกครั้งได้หรือเปล่าวิธีที่ถูกต้องคือวรจะนั่งแล้วดูลมไปแล้วนั่งแล้วบริกรรมพุทโธไปแล้วท่านมีอาการอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปของมันเราอยู่กับอารมณ์ของเราไปอยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความว่างความสง บ, บได้ ต้องทนทุกข์กับคู่ชีวิตด้วยคําพูดและการกระทํามีวิธีปล่อยวางอย่างไรครับอาจารย์ขอคําแนะนําครับก็อย่าไปสนใจเขาอย่าไปอยากความทุกข์องเราไปอยากให้เขาพูดดีกับเราพอเขาพูดไม่ดีเราก็ทุกข์กับเขาก็ปล่อยเขาทุกขไปยอมก็ไงยอมหยุดเย็นยอมให้เขาเป็นอย่างนี้แล้เราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์ก็เรายังอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ไม่เป็นอย่างที่ก็เป็นอยู่ ช่วยคนแล้วมีอาการไม่ดีแนะวิธีฝึกจิตให้แข็งด้วยครับอาจารย์ครับอย่าไปหวังว่าจากเขาเลยเราก็จะไม่มีอาการรู้สึกอะไรทําไปอยากคิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปให้แล้วก็ให้ไปเขาจะมีปฏิิยาอะไรกับเราหรือไม่อย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ไปสนใจไม่ไปหวังอะไรจากเขาทําแบบให้ไม่มีไม่ไดหวังผลตอบแทนจากการให้ของเรา เห็นผู like ้หญิงสวยๆอยากได้มาเป็นภรรยาแล้วนึกถึงไตลักว่าเขาเป็นเพียงดินน้ำลมไฟก็คลายจากการอยากให้ได้เขามาเป็นภรรยาไปเลยแบบนี้ถือว่าผมใช้การวิปัสนาถูกต้องไหมครับก็ได้ถ้ามันเับความอยากได้ก็ใช้ได้แต่ก็มีอย่างอื่นด้วยเช่นดูอาการสามสิสองเขาเขาดดูเขาดูซากศพมันก็ก็อาจจะมีมีมี มีกำลังมากกว่าก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าคีดว่าเห็นว่าเขาไปดื่มน้ำลมไฟแล้วก็ไม่เกิดความอยากได้ก็ก็ใช้ได้ถ้าเราทําบุญตักบาตเรียกเปรตเรียกสัมภเวสีมารับบุญได้ไหมครั บ, รบกบ็ผู้ที่มารับบุญก็ต้องเป็นพวกเปรตนะนะคุณแม่ตวงนะครับบอกว่าเขาเขาชี้โอนเปิดให้ไปปรีกวิเวกไหมครับ ติดต่อสอบถามก่อนไปได้ที่ไหนครับเพิ่งมาทํางานที่ชนบุรีสนใจจะปฏิบัติสมาธิตามหลวงพ่อกล่าวอนุโมทนาครับอาจารย์ครับก็ติดต่อผ่านคุณหมอดูก็ได้คุณหมอจะ ใ, ให้เขาติดต่อใครได้เดี๋ยวตอนท้ายรายการผมบอกอีเมลให้ครับอาจารย์ครับโอเคครับผม ถ้านั่งสมาธิแค่สิบนาทีและเห็นพระพุทธรูปสีขาวองค์โตเข้ามาเต็มหน้าเป็นเพราะอะไรครับก็เป็นเพราะความคิดปรุงแต่งของเราไนงะินไม่สงบจินยังไม่นิ่งท่านนี้กนจะไม่เห็นอะไรจะมีแต่ความว่างบางครั้งนั่งสวดมนต์ภาวนาแล้วรู้สึกขนลุกเหมือนมีใครอยู่ข้างๆครับอาจารย์ ก็ให้รับรู้เฉยๆแล้วกลับมาดูอยู่กับการสูญบุต่อไปย่าไปสนใจมันเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้แตมม่มันไม่เป็นพี่เป็นภัยต่อเราแต่อย่างใดจะทําใจและปฏิบัติอย่างไรเมื่อทราบว่าตัวเองเป็นโรคร้ายครับก็หยุดความอยากไงหยุดความอยากไม่เป็นเป็นก็ยอมรับกับนไปยอมหยุดเย็น อย่ารับมันเป็นก็เป็นอย่าไปอยากให้มันไม่เป็นแล้ว อ, อย่าไปอยากให้มันหายเมื่อมันเป็นมันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปท่านหยุดความอยากของเราแล้วใจของเราก็จะเย็นไม่ทุกกับโรครายที่เกิดขึ้นเห็นพระสงฆ์สิบเ้ารูป walk for peace เห็นเท้าพระที่เดินเท้าเปล่าเป็นระยะทางไกลแล้วรู้สึกน้ําตาคลอการตั้งใจดูและบางตอนมีคําสอนด้วยถือว่าเป็นบุญหรือเป็นสมาธิได้ไหมครับหมายถึงเราดูแล้วเป็นบุญเป็นสมาธิแล้วก็ท่านดูแล้วจิตเราสงบมันก็เป็นมันก็เป็นสมาธิแบบหยาบๆได้แต่ไม่ถึงกับสมาธิจริงๆะคือใจเราก็นึกสงกเย็นสบายขึ้นก็จะเรียกว่าเป็นความสงบแบบ แบบหนึ่งก็ได้เวลานั่งสมาธิตอนกลางคืนจะมีเสียงบ้านลั่นดังมากจนสะดุ้งทุกครั้งหรือว่าบังเอิญทำไมดังทุกครั้งวะในวันเวลาที่ต่างกันครับอาจารย์ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรจะดังอะไรจะอะไรก็เรื่องของเขาไปแล้วก็ทำเป็นงานของเราไปดูลมใบพุทโธไป เราต้องทำงานกับเจ้าของกิจการที่ขาดธรรมิบาลครับวางอำนาจเอาคนออกมากมายและคนที่เหลือต้องรับงานและทำงานเกินเวลาโดยไม่ขึ้นเงินเดือนชอบลูกน้องที่ยอมและเยินยอเราควรจะวางใจอย่างไรเพราะต้องทนจนถึงเกษียณครับก็ยอมรับความจริงของเขาเขาเป็นอย่างนี้พยายารยัดให้เขาเปลี่ยนเพราะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาเป็นไปล้วก็อยู่กับเขาไปต่างฝ่ายต่างอยู่ไปล้วก็ทำหน้าที่ของเราไป การทำบุญร้อยวันนี้คนตายจะได้รับบุญไหมครับก็แล้วแต่ว่ามารอรับหรือเปล่าทําไมถึงเรียกว่าจังหันครับอาจารย์ก็เป็นการรับประทานอาหารของพานะไงไม่ทราบสาบัสบซ้ำนี้มาจากไห น, นกัไม่ทราบหมอรู้ไหมไม่ <laughs> มทราบก็แทนที่จะแทนี่จะพูดรับประทานแล้วกินสารพระเข้าไปใช้เรียกว่าชันฉันจังหัน จังหัก็เมนเป็นอาหารของพ่างแขจังนัันถ้าสวดมนต์เสร็จแล้วถวายบุญให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้สมควรไหมครับ ม, มันไม่มีจะถวายเยมันไม่บุญมันยังไม่เกิดการสวดมนต์นี่นะครับพอสวดปุ๊บจะมีบุญเกิดขึ้นที่มันต้องจิตสงบ ยอมหยุดเย็นวันนี้ทำให้หรู้สึกสบายในใจเบาในใจมากๆเลยครับผมจะ่ฟังคำถามของเพื่อนเพื่อนโดยเฉพาะเรื่องประหยัดเงินและทานข้าววันละมือ้อความสมถานนี้มันสบายจริงๆครับอาจารย์อืมเมื่อน้อยสันหยอดเนี่ยในที่สุดถ้าเราอยู่เย็นอยู่เป็นสุขไม่ต้องมีจกกังวลกันมากมาย คนที่ทําบุญทําทานกับคนที่ปฏิบัติธรรมสิ่งไหนได้บุญมากกว่ากันครับเป็นบุญร ะ, ระดับกันคนที่จะไปปฏิบัติธรรมได้ก็ต้องผ่านการทําบุญก่อนถึงจะมีกําลังที่จะไปปฏิบัติธรรมได้มีวิธีฝึกอย่างไรให้จิตใจเราเข้มแข็งในการเอาชนะกิเลสต่างๆครับเริ่มต้นด้วยการจันทร์สติทั้งวันเงนยเตาขึ้นมองพระพุโทโธพุโทโธไป เฝาดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้ถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดอะไรแล้วใจของเราก็จะมีสติใจของเราก็จะมีความมีกําลังที่จะทําให้ใจเรา ส, สยบอารมณ์สยบความโลภความโกรธต่างๆได้คนถ้าตายไปแล้วเงียบไม่มีความรู้สึกไม่มีพลังงานอย่างนี้แสดงว่าได้ไปเกิดแล้วใช่ไหมครับ เรไม่รู้หรอกเขาจะไปเกิดพอามีเข้าไปแล้วนะเป็นไหนเขาจะไปเกิดในภพไหนนั่นหตอนจ่อดตายนี่เขาก็เขาก็เป็นเป็นภพใหม่แะเช่นบางทีเขาก็เป็นเดชะฉานนะตั้งแต่ยังไม่ตายพอร่างกายตายไปเขาก็จะไปเกิดเป็นเดชะฉานทันทีถ้าใจเขาเป็นเปร์เขาก็จะไปเกิดเป็นเปร์ทันทีถ้าใจเขาเป็นเทพเขาก็จะไปเกิดเป็นเททันทีถ้าใจเป็นมนุษย์ ก็ไปรอรับร่างกายมนุษย์ใหม่ทันทีก็อยู่กับสภาว่าของใจนี้ที่ตอนตายเป็นใจเป็นเป็นอะไรในตอนนั้นพอดีปฏิบัติธรรมหนักมาสิบวันรู้สึกจิตทรงฌานได้นานขณะออกจากสมาธิจะเดินจะนั่งนอนจะทรงฌานอยู่ตลอดวันบางคืนฝันเรื่องอนาคตและเกิดขึ้นจริงคิดว่าตัวเองน่าจะได้ฌานสาเป็นสีอ่อน ไปต่ อ, อยังไงดีครับไม่รู้สึกทุกข์สุขหรือมีเบาบางมากๆครับรพยายามรักษาความสงบความไม่สุขไม่ทุกข์นี้ไว้ความเป็นการของใจแต่ส่วนเรื่องความสามารถพิเศษนี้ก็อย่าไปยึดไปติดให้ให้ศัก์แต่ว่ารู้ไว้กามันเป็นอย่างนี้แล้วค่อยสังเกตดูว่ามันเป็นอยู่เรื่ อ, อยๆหรือเปล่าหรือว่ามันมั่นหรือเปล่าบางที่มันอาจจะไม่มั่นก็ได้ก็อย่าเพิ่งไปลง เห็นนายขึ้นมาแล้วก็จะไปสรุปว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เสมอไปใ ห, ให้มีความระมัดระวังระหว่างที่ฟังพระสวดเราไม่ยกมือขึ้นพนมไหว้แต่เรานั่งทําจิตสงบฟังพระจะผิดต่อหลักการฟังธรรมหรือไม่ครับหลการฟังธรรมมันไม่ผิดแต่หลักธรรมวินัยวันจะผิดก็ได้เห็นแล้วก็ต้องดูว่าเราอยู่ในสถานที่ไหน ถ้าเขาใช้ถ้าถ้าเขามีการพนมมือแล้วก็คนจะทําทตามบางแห่งเขาก็ไม่พนมมือเราะว่ า, ามือไว้ที่หน้าตักกันได้ฟังทําแบบฟังทําแบบปฏิบัติจะไม่ต้องพนมมือกันแต่ถ้าฟังทําแบบพิธีกรรมนี่มันจต้องพนมมือกันอานิสงส์ของการสวดมนต์กับการนั่งสมาธิอย่างไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันครับเคยไม่รู้สึกไม่คิดจะทำเลยนะ ส่วนมันจะได้ความสงบน้อยกว่าการนั่งสมาธิแต่ถต้ายังสวดมันไม่ได้จะไปนั่งสมาธิก็ยิ่งยากใหญ่ต้องสามารถ er ส, าา rauen, <MUSIC S 1> สวดมันได้ก่อนแล้วถึงจะไปสามารถนั่งสมาธิได้ลูกไม่ได้โกรธแม่ hus, ไม่พูดไม่มาหาไม่เคยโทรถามทะเลาะกันไม่พูดกันอย่างนี้เป็นกรรมอะไรครับก็อาจจะดวงชะตาไม่ตรงกันังได้ อาจจะไม่ได้เป็นคู่คู่บุญกันอาจจะเป็นคู่กรรมกันคู่อริกันมาในอดีตเพ่งกระสินสีเขียวใช้คำบริการพุโทโธแทนคำว่าสีเขียวได้ไหมครับอันนี้เราไม่เคยปฏิบัติเลยไม่สามารถบอกได้ว่าใช้ได้หรือไม่ได้ การมองขันห้าไม่ใช่เราคือการคิดเองหรือต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะเกิดสภาวะไม่เป็นเราครับต้องมองแบบวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าร่างกายนี้มันเป็นเราตรงไหนบ้างลองค้นคน้าหาความจริงดูอย่าไปเมาว่าว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราขึ้นมาแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนในร่างกายนี้เราเราพิจารณาดูน่างกายมันก็มีแค่อาการสามสิบสองถ้าเรา ถ้าเราชำแหลออกมาแบบหยาบๆมันก็มีอาการ32เพราะอาการส32นี้มีอาการไหนบ้างที่เป็นเราไหมมันก็ไม่มีเพราเราก็เกลยต้อรุปว่าฉะนั้นร่างกายก็ไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายาเพราเป็นใครเราเป็นคนศึกษาร่างกายผู้ที่ศึกษาร่างกายก็คือใจเราเป็นใจมากกว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย กรวดน้ำจำเป็นไหมครับแล้วถ้าไม่กรวดน้ำได้ไม่ครับการอุทิศบุญได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำก็ได้ใช้การระลึกจิตก็พอเรเียกว่าเราขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ที่ต้องรับไปแล้วก็สําเร็จประโยชน์ได้หนูต้องเข้าร่วมงานทางสังคมบ่อยๆเช่นต้องเข้าเฝ้าพี่น้องชอบกันมากไม่ว่าจะเป็นระเบียบการวางตัวการแต่งตัวหรือฐานะสังคมต่างๆหนูไม่ค่อยชอบ แต่ต้องไปตามหน้าที่หนูขอปัญญาจากพระอาจารย์ว่าหนูควรคิดหรือทําอย่างไรเพราะอึดอัดใจเล็กน้อยหรือเพราะว่าหนูไม่มีอุเบกขาครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราไม่ชอบเนีย่ยงั้นที่จะทำให้เราชอบขึ้นมาเราคิดว่าเราเป็นการเล่นละครก็แล้วกันถ้าเราเล่นละครเราก็ต้องเล่นไปตามบทที่เขากาหนดมาให้เราเล่นมีการเกิดก า, การเกิดก่อนตายมีด้วยใช่ไหมครับ ก็ต้องเกิดก่อนตายตายก่อนเกิดจะไม่ได้บมื อ, อยังไม่มีร่างกายมันจะตายได้ยังไงก็ต้องมีร่างกายกา่อนมีการเกิดก่อนแล้วถึงจะมีการตายตามมาหลังจากตายแล้วน่ยถึงจะไปเกิดใหม่อีกทีนึงช่วงหนึ่งดิฉันปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเก็บอารมณ์ขณะยืนสมาธิตั้งสัจจาริษฐานยืนเดินนั่งนอนครั้งละหนึ่งชั่วโมง ขณะยืนสมาธิอยู่นกุฏิมีงูตัวใหญ่มากพยางงูสามตัวเลื้อยมาอยู่ตรงหน้ากลัวมากแต่ไม่ยอมเสียสัจจะและแผยใบตาให้สัตว์เหล่านั้นแล้วเขาก็เลื้อยออกไปเขามาขอส่วนบุญหรือเปล่าครับต้องถามว่าดูเลยพระอรหันต์ที่ปรินิพานจิตที่ปราศจากกิเลสจะเข้าสุนิพานโดยไม่มีเจตเอาใ น, นถามไปแล้ว นั่งสมาธิแล้วพุทโธหายไปรู้ว่าจิตไม่ส่งออกจิตนิ่งสงบเฉยๆแบบนี้ติดเพ่งหรือเปล่าครับหากติดเพ่งจะทําอย่างไรครับไม่ติดหรอกมันเป็นผลอยอมของความนิ่งสงบเป็นเป้าหมายของการนั่งสมาธิให้จิตอยู่ภายในให้นิ่งให้สงบแต่ยังอาจจะไม่สงบเต็มที่ก็ได้เพราะว่าถ้ามันสงบจริงๆมันจะมีความสุขมาก ผมติดแอลกอฮอล์ครับรู้สึกหมดไฟหมดความพยายามครับก็เองไปอยู่ที่เขาไม่มีแอลกอฮอล์ให้ดืม่มไปอยู่วัดป่านะอยู่ที่ไกลๆที่กันดาเแต่แล้วก็จะเลิกดื่มกาแฟหรืมแอลกอฮอล์ได้ สามีผิดศีลข้อสามในช่วงแรกๆทุกมากแต่นำคำสอนพระอาจารย์มาเตือนสติบ่อยๆจนตอนนี้ไม่ทุกข์แล้วครับทําให้เข้าใจครับว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานแบบนี้ถือว่าโยมทําข้อสอบผ่านแล้วใช่ไหมครับถ้าไม่ทุกข์ก็ผ่านนะคนเราเกิดมาทําไมครับอาจารย์เหตุที่พานเรามาเกิดก็คือตัณหาความอยากอยากหาความสุขจากโลกกระทำทั้งสทั้งสี่คือลาบยศสารเสริญ แล้รเสียงกลิ่นก็้วเนี่ยเป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดขึ้ น, นแล้วจะพาให้เราไปเกิดต่อไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่เพราะความสุขเหล่านี้มันไม่ให้ความอิ่มความพอได้มาเดี๋ยวมันก็หายไปก็ต้องหามาใหม่อยเรื่อยๆนี่คือเหตุของการเราเว้นว่าตาเกิดไม่รู้จักจบจากสิน้นก็คือความอยากจะหาความสุขอย่างโลกก็ทำทั้งสี่นี่คำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับ มักจะคิดผิดต่อคนอื่นในทางลบและมักจะคิดว่าเขาคนนั้นเป็นไปตามที่คิดไว้เราจะบาปกรรมไหมครับเป็นการผิดศีลข้อไหนหรือไม่ครับถ้ายังไม่มีการพูดหรือการกระทํำยังไม่ผิดศีลอันนี้บางทีอกุศลมีความคิดไม่ถูกไม่ควรควรจะแก้ไขควรจะสอนวิธีคิดใหม่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรก็อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปวิเคราะห์เขาหาข้อมูลมาให้ได้ก่อนว่าเขาเป็นอย่างไรแล้วค่อยวิเคราะห์ไปตามข้อมูลนะ ขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้เพื่อนๆชมอยู่ในเฟซ582ครับในยู603ในคลับสองในทิกต็อก492ครับรวม 1,679 คนครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนทนาธรรมวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างมากก็น้อยและสำหรับการสนทนาธรรมสหรับคืนนี้ก็พอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านตรงนั้มองเร็จที่ท่านได้ยินได้ฟังในไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่า น, นี้ถ้าไม่มีเหตุกัดข้องกันใดก็คงจะได้พบกันอีอกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอเจริญพรกรบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ